เคดังคาโตโรกิตายนาโทนาโมมหาการนิกัสสะตัสสาอาสัมบุตรทงบุทธนิเสวิตังยังบวาบวังขัดชะติชีวโรเกนาโมอวิชชาทิกิเลสชาลา วิทังสิโนธรร ม, มวรัชสตัตสสาคุณเหฮิโยสีระสมาธิปัญญาวิมุตติญาณปะภูติยุตโตเขตังชนะนังกุสราธิกาหนังตามาริยสังฆงสิระสานามามี ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระนาถพระองค์ใดผู้ประกอบด้วยพ้ามหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ผู้กระทำซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทำได้ยากยิ่งอย่างนักตลอดการอันนับประมาณมิได้แม้ด้วยหลายโกรธกลับแล้วทรงถึงซึ่งความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกโดยแท้ ข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมนมัส ก, การแด่พระธรรมอันประเสริฐนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท่องเสพอยู่เป็นนิดอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลตมีอวิชาเป็นต้นซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อยังไม่อย่างรู้จึงท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพบใหญ่อย่างยาวนานข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้ ด้วยเสียงเกล้าวซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติย า, านัศนะเป็นเข้ามูลเป็นบุญญาเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนาโดยกุศลนั้นขออนุโมทนาแก่เราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการฟังพระธรรมท่านทั้งหลายพึงทราบว่าพระสัพพัญู สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธคุณเหล่านี้เป็นอารมณ์แห่งพุทธญาณอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการทั้งปวงไม่ได้เป็นอารมณ์แห่งญาณของผู้อื่นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถเพื่อจะกล่าวโดยพิสดารได้เลยในคำสอนถ้าเราจะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาของเราเนี่ย เราไม่สามารถจะระลึกได้ทั้งหมดระลึกได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันเองท่านก็มีหลักในการที่พิจารณาคุณว่าแม้หากพระพุทธเจ้าซึ่งพารณาซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้านะีไม่ได้ตรัสถึงพระธรรมเทศนาอย่างอื่นเลยตลอดถึงกับนี้สิ้นไปในวางการอันยาวนานเหล่านี้คุณของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สิ้นไปถามว่ากลับหนึ่งเนี่ย เขานับความยาวเนี่ยกิโลนะลึกอีก16กิโลถ้าปีหนึ่งร้อยปีเนี่ยเอาเมเล็ดงาทิ้งลงไปในหลุมที่มีความลึกระดับ16กิโลเมตรเนี่ยจนกว่าเมล็ดงาจะเต็มหลุมนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือท่านคำนวณในเรื่องของคำว่ากับฉะนั้นบอกว่าการที่เราจะพารนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หมดสิน้นแม้แต่พระเจ้านี่นื้ จะพารณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระชาตินั้นพระองค์ทรงเป็นอะไรมาทําอะไรมาเป็นต้นเหล่านี้กลับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยังไม่หมดฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่มากพกระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยถึงท้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสในการศึกษาประพฤติปฏิบัติในการที่จะทําตนเองให้พ้นพ้นจากวัฏทุกข์ได้เนี่ยก็อาศัยใครอาศัยพระพุทธเจ้านี่แหละงนั้นพระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญพระบรารมีมาม า, มากอย่างยาวไกลเลยบำเพ็ญพระทานบรารมีศีลบรารมีเนกขมมะบรารมี ปัญญาบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีขันติสจัจจะอธิฐานนเมตาและอุเบขาบา ร, รมีบำเพ็ญอุ ป, ปบา ร, รมีสิบและประบัธรมบารมีสิบอย่างยาวไกลนะอย่างยาวไกลเลยในที่สุดจริงๆเนี่ยด้วยความเพียรพยายามอย่างอุกฤษแล้วก็อย่างมุ่งมัน่นในที่สุดยิงได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุธิยาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นต้นทีนี้ในผ้าธยาใสาเนี่ยนะเราจะเห็นชัดว่า บุคคลที่จะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะอย่างมั่นคงเมื่อคืนเนี่ยมาฟังพระท่านพูดว่าฐานะที่มีสมควร18ประการหมายความว่าบุคคลที่เป็นนิยตโพธิสัตว์หมายความบุคคลที่ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ไปเกิดในฐานะ16ประการใช่ไม เออสิประการก็คือหนึ่งก็คือว่าบุคคลที่วดรับพยากร์หรือเป็นนิยตะพระโพธิสัต์เป็นพระโพธิสัต์ที่แน่นอนแล้วนั้นเนี่ยจำเดิมแต่ได้รับพยากรณ์แล้วจะไม่ไปเกิดเป็นคนบอดแต่กําเนิดไม่เกิดเป็นคนหนวกไม่เกิดเป็นคนบ้าไม่เกิดเป็นคนใบไม่เป็นคนแคะไม่เกิดในชนชาติมิระขาคือคนป่าเถื่อนไม่เกิดในท้องของคนทาสีคือคนขอทาน ไม่เกิดเป็นเนิยตามิจฉาทิฏฐิเพศของพระองค์ก็ไม่กลับเป็นเทพเพศสตรีอีกแล้วแล้วก็ไม่ทําอนันตริยกรรมก็คือไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ทําโลหิตตุวบาศสังกเพศเป็นต้นไม่เป็นคนโรคเรื้อนถ้าเกิดในกําเนิดสตเาชานก็จะมีอัตภาพปานกลางไม่ใหญ่กว่าช้างและก็ไม่เล็กกว่านกกระจาบไม่เล็กกว่านกกระจาบ ไม่เกิดในขบปาสิกเปรตและก็นิชามาตันฮีกเปตไม่เกิดในจำพวกของกาลิกชิกันศูนย์เป็นต้นไม่เกิดในเวจีมหานรกและไม่เกิดในโรกันตริยนิรกไม่ไปเกิดเป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาพจรไม่ไปเกิดในรูปประภูมิทั้งหลายและไม่เกิดในอสัญญาสตภูมิไม่เกิดในสุทธาวาสเนี่ยไม่เกิดในอรูปภูมิเป็นต้นและที่สําคัญก็คือว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะไม่ก้าล่วงไปเกิดในจักรวาลอื่น ที่นอกจากพุทธเิตทีนี้หลังจากได้รับพยากรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระคุณของพระผู้มียภาคเจ้าเนี่ยท่านจะมีอัธยาศัยเาเรียกพุทธภูมิธรรมสีประการก็คือหนึ่งอุตสาหะ 2. อมมะะัคคะ 3. อวัฒานาสหีตจริยาคือพระนิตรโพธิสัตว์ผู้ได้รับพยากรแล้วเนี่ย พุทธภูมิสี่ประการเหล่านี้ต้องมั่นคงในกระแสขันของท่านในกระแสชีวิตของท่านเนี่ยที่เราบอกว่าอุสาโหวิรยังวุตตังโอมาโคปัญญาปวัจติอวัฒนานัตธานังหิตาจริยาเมตตาภาวนาบอกว่าวิริยเนี่ยก็คือความเกล้วกล้าอาถาร วิริยะอันมั่นคงเนี่ยเรียกว่าอุตสาหะฉะนั้นทุกอัตภาพที่เกิดนั้นพระองค์จะมีวิริยะมีอุตสาหะมีความแกล้วกล้ามีความบากบัน่นก้าวไปใจสู้ไม่ท้อต่ออุปสรรคยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคนะเนี่ยพระองค์จะมีพลังและมีความแกล้วกล้าในการที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพื่อไปถึงจุดหมายให้ได้นี่คืออัธยาศัยของบริษัทจะมีความแกล้วกล้ามากยิ่งเจอปัญหายิ่งมีพลังปัญหายิ่งใหญ่ยิ่งชอบ <G l ain> นี่ข้อแรกว่าการที่สองก็คือปัญญาอุมมัตอมมคฆะเนี่ยปัญญาที่แข็งกล้าหรือที่กล้าแข็งเรียกว่าอมมะคะอุมมคฆะก็คือไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญานั้นจะมีความชาญฉลาดมีความแก้วกล้ามีความเข้มแข็งในอันที่จะเจาะทะลุทะลวงในเรื่องราวและในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและก็ยังแมั่นยําเป็นคนที่คิดอ่านอะไรได้อย่างรวดเร็วมาก ให้สังเกตดูไหมตอนที่พระโพธิธัตสนาท่านเป็นท่านเป็นพระมโหสถเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยตอนที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนั้นที่มีเหยี่ยวเฉียวเอาเนื้อแล้วก็บินขึ้นไปของชาวบ้านบินขึ้นไปเนี่ยบรรดาเด็กหรือบริวารของท่านเนี่ยพากันวิ่งชนกันที่จะไล่เอาให้เหยี่ยวนั้นคลายจากเนื้อคลายเนื้อปล่อยเนื้อนั้นน่ยแต่ด้วยความรวดเร็วปัญญาของท่านท่านคำนวณทันทีเลยนะ คำนวณปุ๊บแล้วเอ๊ะทำยังไงจะให้เหยี่ยวมันปล่อยเนื้อ 2. แล้วทำยังไงตนเองจะวิ่งให้ทันพอท่านตัดสินใจปุ๊บเนี่ยท่านก็วิ่งแต่ท่านไม่มองข้างบนเนี่ยท่านมองดูท่านคํานวณดูเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันเหยี่ยวมันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหมเงามันก็ลงสู่พื้นท่านก็วิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งไปเพื่อจะตามเอ็งเงาที่อยู่กับพื้นให้ทันพอเท้าของท่านไปก้าวเหยียบถึงพื้นแล้วก็เหยียบทังตัวเหยี่ยวเงาของเหยี่ยวนะั้นน่ะ ท่านก็ตบมืออย่างดังในขณะเดียวกันท่านก็ตะโกนอย่างสุดเสียงไอเสียงของท่านเสียงมือที่ท่านตบเนี่ยก็ไปกระแทกหัตยะคือหัวใจของเยี่ยวเยี่ยก็ตกใจก็ปล่อยเนื้อชิ้นนั้นล่วงลงมาแล้วท่านก็รับเนื้อที่ร่วงลงมาจากวันทองฟ้าได้อย่างรวดเร็วอย่างแม่นยำอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความรวดเร็วของปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม เนี่ยแก้ปัญหาเร็วไหมเนี่ยเออมีบางคนนะด้วยความที่สติปัญญามันหลุดไปเลยตอนที่ไฟไหมน้นะแทนที่จะวิ่งแทนที่จะเร่ไปเอาของที่มีค่าแกวิ่งไปอ้มอะไรรู้ไม้มอ้อมโทรทัศน์อยู่เครื่องหนึ่งวิ่งออกมาเออดูที่โทรทัศน์มันกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมกินไม่ได้ไม่ได้ ดูเนมันตกใจไหมคนที่ปัญญาไม่รวดเร็วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แกชีวิตมนุษย์มากที่สุดในขณะนั้นนะมียอมอยู่คนหนึ่งนะไฟไหมเนี่ยแกอายุแปดสบเก้าสิบแล้วแกตกใจมากอ่ะสิ่งที่แกไฟไหมบ้านแกไม่ห่วงเลยแกไม่ห่วงรถแกมีรถเบนซ์อยู่คันแกวิ่งไปเข็นรถเบนซ์ออกมา เ, ออเข็นออกมาไหวดูสิเนี่ย ยมเคยตกใจอะไรัหมเคยัหมฉะนั้นพระบพธิษัท์นั้นทุกอัตภาพที่เกิดนั้นจะมีอมมักขะก็คือปัญญาที่เฉียบแหลมอวัตถานะก็คืออธิษฐานอธิษฐ า, านที่ไม่หวั่นไหวอธิษฐานนะเนี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นแต่พวกเราทั้งหลายโดยมากคำว่าอธิษฐานโดยมากเราจะไปเข้าใจว่าเป็นการร้องขอรอผลดนบันดาลใช่ไหม ใทยเข้าใจแบบนั้นไหมว่าอธิษฐานนี่คือการร้องขอรอผลดนบันดาลแต่ที่ไหนได้คําว่าอธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจมั่นฉะนั้นพระโพธิสัต์เนี่ยเมื่อท่านตั้งอธิษฐานจิตว่าท่านจะต้องบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุธิยาณแล้วท่านก็ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ถอนความตั้งใจแม้เจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่สัมมาสัมพุธิยาณก็จะประชมอยู่ในกระแสใจของท่านอย่างอย่างมั่นคง เอาอะไรมาแรกให้ท่านถอนความตั้งใจท่านก็ไม่ถอนท่านบอกว่าท่านจะบุกฝ่าก้าวไปใจสู้ฝ่าฟันอุปสรรคและวิญญาณอันตรายทั้งหลายจะไม่ถอนความตั้งใจแม้เลือดเนื้อทั้งหลายเหล่านี้จะลอดถึงสตรีละของท่านจะแหลกเป็นผุยผงท่านก็จะไม่ถอนความตั้งใจที่ได้ตั้งเข้าไว้พวกเราเป็นแบบนั้นไหมเราเป็นไหมหลอกว่า ฉันจะต้องฝึกสมาธิให้ได้ถ้าฉันฝึกสมาธิไม่ได้ฉันจะไม่ลุกจากบันลังนี้เด็ดขาดอันนี้เคยตั้งใจขนาดนี้ไหมตั้งไม่ตั้งฉันจะฝึกตามกําลังของฉันเนี่ยได้ไม่ได้ก็จะงหัวมันปวดเมื่อไหร่ฉันก็จะลุกเด็ดขาดอย่างนี้คิดอย่างนี้หรือวะลักษณะนี้ไม่เรียกว่าอธิษฐานเช่นถ้าใครด่าฉันฉันจะด่าตอบใครโกรธฉันฉันจะโกรธตอบ ลักษณะนี้เป็นอธิษฐานไหมอธิษฐานต้องเกี่ยวเรื่องกับความดีในการที่จะฝึกผลขัดเกลารพัฒนาตนเองนะหีตาจริยาเนี่ยเมตตาเมตตาเนี่ยนะภาวนาเป็นเป็นบุเรจาริกเรียกว่าหีตาจริยาในการประพฤติประโยชน์เมื่อวานพูดถึงในเรื่องของเมตตาคําว่ามีเมตตาเป็นบุเรจาริกก็แปลว่ามีเมตนานําหน้าในกิจกรรมของชีวิตทุกเรื่องทําได้ไหมล่ะ ไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนไปคูเหยียดก้มเงยไปทํากิจกรรมต่างๆก็ให้เมตตานําหน้าโดยมากเราให้ใครนําหน้าเราโทสะกับเหตตาให้ใครนาหน้าให้ใครนําหน้าให้ใครจูงเราให้ใครนําพาชีวิตของเราใครให้ความโลภนําหน้ายกมือทิใครให้โทสะนําหน้าใครให้โมหะนําหน้าใครให้ความหงุดหงิดฟุ้งซ่านนําหน้าให้อะไรนําหน้าดี เราจะเอาใครนําหน้านําพาชีวิตของเราเมตตาเป็นปุเรจาริกปุเรจาริคไปเมตตานําหน้าเวลาจะพูดกับใครก็ให้เมตตาเกิดก่อนทําได้ไหมให้มีความรักความปรารถนาดีความเมื่ออารทก่อนแล้วจึงค่อยพูดเวลาจะมองใครก็ให้เมตตาไปก่อนได้ไหม เวลาจะฟังเสียงใครก็ให้เมตตาไปก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมงานต่างๆเหล่านี้ให้เมตตานะนำหน้าไปในทุกกิจกรรมทำได้หรือไม่ได้เวลาจะให้ทานเนี่ยให้เมตตาไปก่อนไหมมาทำท่ามไม่รู้เรื่องกันอีกลืมแล้วเมตตาลืมแล้วได้ไหมทำยังไงอะ่ะให้เมตตานำหน้าเวลาเอาอาหารไปถวายพระเนี่ยโดยมากเราจะ ให้เมตานำหน้าไหมมีความรักความปรารถนาดีกว่ามเมื่อทอนไหมมีการพูดกับท่านด้วยไหมเวลาพระเดินผ่านมาแล้วพูดว่าไงนิมนต์ข้าอย่างนี้ไหมว่านิมนต์ยังไงพูดยังไงพูดว่าอย่างไงพูดว่าไงพู ด, ดได้เมตตาได้ไหมได้ไม่ได้ก็พูดได้เมตตา คำว่าพูดด้วยเมตตากับพูดด้วยโทสะเหมือนกันหรือต่างกันพูดด้วยโทสะเสียงเป็นยังไงแข็งกับดั้งไหมเวลาพูดกับลูกพูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยโทสะเอาเวลามองหน้าลูกก็บอกลูกเอ้ยกินข้าวหรื อ, อยัง <c oughs> ใ่าเวลาเวลาทำอาหารไปวางให้ให้ลูกเนี่ยเราวางไว้ด้วยเมตตาไหมหรือวางไว้ปุ๊บ รีบกินจะได้ไปโรงเรียนเสียงเริ่มแข็งหรือยังเสียงเริ่มแข็งเลยนะไปไปมานี่จะกินหรือไม่กินเนี่ย <c oughs> โดยมากในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราอยู่ด้วยเมตตาหรือด้วยด้วยโทรศัพท์ให้ตัวไหนนําหน้าให้ตัวไหนนําหน้าฉะนั้นพรุทธเจ้าสอนว่าพระุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีอัธยาศัยที่เป็นไปกับเมตตาสูงมากก็เรียกว่า หิตาจริยาเมตตาภาวนาคําว่าหิตะภาวนาเมตตาหิตะจริยาเมตตาพราจริยาจริยาเนี่ยเขาแปลว่าการดําเนินชีวิต <c oughs> การดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตหรือการประพฤติประโยชน์บุคคลอื่นเนี่ยมีอะไรมีเมตตาจเจริญขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องคําว่าภาวนาก็แปลเมตตาเจริญขึ้นเจริญขึ้น ของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เมตตามันค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นไหมหรือมันค่อยๆหดหัวลงหดหัวลงมันเจริญขึ้นมเรารักคนทุกคนได้หมดหรื อ, อยังที่มานั่งในที่นี้ใครยังขัดเคืองคนอื่นอยู่บ้างยกมือทีมีไหมขัดเคืองที่เ้าทำให้เราไม่พอใจอะ่ะเช่นเขามองหน้าเราแล้วเขาไม่ยิ้มให้เรา เขาเดินเราแล้วเนี่ยเขาเดินผ่านเราแล้วรู้สึกเขาไม่เห็นหัวเราเนี่ยนะเขามองหน้าเราแล้วก็ใช้ตาดุดดใส่เราเงี้ยยอมว่ามองมองด้วยเมตตามองได้ไหมเอาวิธีมองด้วยเมตตามองยังไงใช้หางตามองเคยไหมเคยมองคนได้หางตาไหมเคยไหมใช้มองแบบมองหางตาเคยมองคอนไหม มองคอ้อนนี่มองได้เมตตาหรือมองได้กรุณาหรือมองด้วยโทสะมองได้เหยียดหยามเขาด้วยใช่ไหมเคยมองคนตั้งแต่หัวจนเท้าไหมพอมองหัวแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาก็มองแล้วก็ใช้ตามองคอ้อนเงี้เยเคยไหมนั่นแหละต่อไปเราจะเกิดเป็นคนตาตาแล้วตาเหล่ตาไม่สมประกอบตาไปคนละทางอตาหนึ่งสั่งกวยเตี๋ยวตาหนึ่งสั่งลูกชิ้นนึกเคยไหมมันมองไปอย่างเงี้ย ไอ้คนขายลูกชิ้นอยู่ร้านนี้ไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนี้พอไปถึงแล้วมันไม่รู้จะสั่งอะไรนะเนี่ยก็เห็นไว้แล้วเนี่ยมาจากอะไรเอ้ามาจากอะไรมาจากการมองคอนเอาอยากตาแบบนี้ก็มองคอนเยอะๆดีไห้โย่เกิดถ้าไปเห็นคนตาแบบนี้ขึ้นมาเราจะไปชี้หน้าดา่าเขาไหม นี่บอกแล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าดูดตาสิเหมือนมนุษย์ที่ไหนเนี่ยอย่างนี้ไหมเราไปตำหนิเขาอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมไว้บอกเขาว่างไงพอเห็นปั๊บเราจะสะเทือนใจไหมสะเทือนใจโอ้โหฉันมองคอนเขามากี่ครั้งแล้วว่าคิดเงี้ยนะโอ้โหต่อไปตาฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วกลัวไหมล่ะเนี่ยเกิดไปเรื่อยๆเด้วตาเราก็จะเป็นแบบนี้แหละ เห็นไหมเราจะเห็นบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะมีตาที่บางเคยเห็นตาปูไหมตาเป็นยังไงปูมันถลนออกมานอกเบ้าอยากตาแบบนั้นไหมล่ะเเคยโกรธคนไหมล่ะเวลาโกรธ จ, จะจัดตาถลนไหมนั่นแหละคนทํากรรมประเภทนี้ต่อไปตาก็จะออกมานอกเบ้าตาดีไหมถ้าตาออกมาแบบเนี้เราจะผ่าตัดได้ไหมยุคเนี้คิดว่าเครื่องมือแพทย์จะช่วยเราได้เลย แล้วมันไม่ใช่แค่ตาอย่างเดียวนะถลนออกมานะท่าทางด้วยก็เหมือนนางปัญจปาปีาเห็นไหมนางปัญจปาปีที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะมาบินฑบาตดินดินเนี่ยในอดีตเนี่ยโอ้โหเธอโกรธมากตอนนั้นกําลังฉาบทาบ้านอยู่ด้วยดินเหนียวเนี่ยแต่พระท่านต้องการอยากได้ดินเหนียวไปท่าไปฉาบทาบุติท่านก็มายืนรับบาตโอ้โหโกรธมากเลย โกรธไม่พอจะหนีด้วยนะลุกขึ้นมาเอ๊ะผ้าม่มองทีไรก็ไม่ไปทีมองคอ้อนหลายรอบแล้วผ้าก็ไม่ไปสักทีนึกในใจก็เลยโกรธคว้าดินได้ก็เดินกระเทือบทา้า ป, ปึกปึกปึกปึกมาเลยทำปากฟุดฟิดฟุดฟิดด้วยทำหายใจแบบนั่นด้วย <S <S มาเบียเศกก็ทุ่มดินเข้าไปในบาดไปอย่างงี้นะเรียบร้อยเลยแล้มีบาปห้าอย่างเลยมาเกิดในปัจจุบันน่ะพบเนี่ยมีอะไรบ้างเท้าก็แปร มือก็แปลนะเท้ามือสองนะจมูกก็บี้ใช่ไมปากอ่ะปากก็ไม่สมประกอบเหมือนบ่นไปแล้วแล้วอะไรกันตาก็เลห้าอย่างเลยเนี่ยดีไหมแต่มีดีอยู่อย่างนะผิวผิวนุ่มมากใครถูกผิวของเธอเนี่ยหลงรักทันทีเลยดีไว้แบบเนี้ย อลองทําให้พระด้วยนะเดี๋ยวให้พระเป็นตัวอย่างใครอยากทําตองกันไหยเราเอาข้าวไปให้พระถือบาทมาแล้วก็ทําท่าโกรยโกรธเลยนะใช้แรงก่อนแล้วก็เดินตุมต้มๆ ม, ม, มาเลยเอาไปกินเสน <c oughs> เรียลอยเลยนะยตรงนี้วันนี้ต้องการอยากจะบอกให้เราได้เข้าใจในเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็เชื่อมโยงนะถ้าถามว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติสําเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง สิ่งที่จะมาพูดในวันนี้ต้องการอยากจะพูดในเรื่องของการเจริญอิทธิบาทอิทธิบาทมีอยู่4อย่างนะเดี๋ยวแปลคำว่าอิทธิหน่อยอิทธิเนี่ยเขาแปลว่าฤทธิหรือแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทก็แปลว่าทําเครื่องใหถึงอิทธิคำว่าฤทธิหรือความสำเร็จเนี่ยหรือเป็นธรรมที่เป็นเหตุใหประสบความสาเร็จ ที่จริงปาท่าแปลว่าทางนะบาทเนี่ยบาทคือเท้าเนี่ยเท้าก็คือว่าทางใช่ไหมคนที่มีเท้าก็สามารถเดินไปเดินไปสู่จุดหมายไปทางได้ประสบความสําเร็จแม้ชันใดแคนั้นฤทธิ์เนี่ยหรืออิทธิเนี่ยความสําเร็จมีอยู่4อย่างก็คือหนึ่งฉันทะรู้ไหมฉันทะแปลว่าอะไรฉันทะแปลว่าความรักได้ไหม ฉันถ้าแปลวความพอใจวิริยะแปลว่าอะไรตรงตัวในความเพียรเนี่ย <c oughs> จิตตะแปลว่าความมีจิตจดจอ่อวิมังสาถ้าภาษาบาลีก็เขียนเป็นวีมังสาเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรความสอบสวนไตรตรองแปล ง, ง่ายๆก็คือมีใจรักภาคเพียรทำ เอาใจฝากายใช้ปัญญาสอบสวน <c oughs> สีอย่างเนี่ยนะทีนี้อิทธิบาทนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าตรัสพัวพันไว้กับเรื่องของสมาธิถ้าใครปรารถนาที่จะฝึกสมาธิให้ได้ผลให้ได้ประโยชน์ต้องใช้อิทธิบาทเป็นก็คือ เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสมาธิอาถามหน่อยที่มากันนี้ใครได้สมาธิมากหรือยังฝึกสมาธิอ่ะใครยังทำสมาธิได้ไม่ดียกมือขึ้นได้ไม่ดีใครทำสมาธิได้ดีแล้วยกมือที่ใครได้ปป็นกลางๆใครไม่ได้เลยมีไหมทำสมาธิไม่ได้เลยอ่ะตั้งใจฟังแต่เนี้ย ถ้าปรารถนาจะประสบความสําเร็จในการฝึกสมาธิพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสพัวพันไว้กับเรื่องของสมาธิเพราะอิทธิบาทเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดสมาธิและนําไปสู่ผลสําเร็จที่เป็นจุดหมายของสมาธิทีนี้สมาธิเนี่ยเกิดจากอิทธิบาทใดก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทข้อนั้นยกตัวอย่างเช่น ฉันทะสมาธิเขาแปลว่าอะไรทำท่าแปลไม่ได้แล้วอ๋อฉันทะสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากฉันทะหรือสมาธิที่มีฉันทะเป็นใหญ่เขา้าใจยังวิริยะสมาธิแปลว่าอะไรอ๋อทำไมนั่งเฉย วิริยะสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือสมาธิที่มีอะไรเป็นใหญ่เออมีความเพียรเป็นใหญ่สามจิตตะสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิที่เกิดจากจิตตะหรือสมาธิที่มีจิตตะเป็นใหญ่ 4. วีมังสาสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่อมีกี่อย่างหนึ่งชันทสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิที่เกิดจากวิริยะเอ้ยเนี่ยเอาใหม่ว่าไงนะหนึ่งชันทสมาธิแปลว่าอะไรส ม, สมาธิที่เกิดจากหรือแปลว่าอะไรสมาสมาธิที่มีอะไรเป็นใหญ่ ที่มีฉันทาเป็นใหญ่ 2. วิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือสมาธิที่มีอะไรเป็นใหญ่ 3. จิตตะสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะหรือสมาธิที่เกิดที่มีอะไรเป็นใหญ่4วิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีอะไรเป็นใหญ่ เอาลองว่าดูที่หนึ่งชันท้า 2. วิริยะ 3. จิตตะ4ได้กันหมดแล้วจำได้ยัง 1. นึ่งก็เรียกชันท้าสมาธิสองสามสีได้ครบหมดแล้วเข้าใจหมดหรือยัง หมดได้ยังทีนี้สมาธิเหล่านี้เวลาเกิดมันจะเกิดควบคู่ไปกับความเพียรพยายามไอ้ความเพียรพยายามในที่นั้นเขาเรียกว่าปัฏานนาสังขารไอ้คำว่าปัฏฐา น, นัสสังขารก็เลยปัฏานสสังขารก็ปแปล ว, ว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียร หรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งนั้นถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีคำว่าวิริชันทสมาธิและประธานสังขารวิริยสร ะ, สะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารเราจะได้เจอคำนี้นะพอไปเจอคำนี้ปุ๊บคำว่าประธานสังขารแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรประธานสังขารแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วฮะประธานสังขารก็แปลว่าสังขารทึ่งเป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งถ้าแปล ง, ง่ายๆก็คือความเพียร ความเพีย 130, ARS, ร, ยรนนยยที่เป็นแรงสร้างสรรหรือความเพียรสร้างสรรเนี่ยนั้นความเพียรที่เป็นแรงสร้างสรรเนี่ยใช่ไหมสรุปก็คือว่าสมาธิเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. สมาธิเกิดจากฉันท้า 2. ส, สมาธิเกิดจากวิรยิยะสามสมาธิเกิดจากจิตตา 4. ส, สมาธิเกิดจาก <à> าเกิดจากปัญญาคือการสอบสวน เอางี้เดี๋ยวดูในสูตรหน่อยอิทธิบาทเนี่ยเขาแปลว่าคุณเครื่องใหถึงความสำเร็จหรือคุณเครื่องสำเร็จคุณเครื่องสำเร็จประสงค์หนึ่งหรือทางแห่งความสำเร็จนะบาทฐานแห่งอิทธิก็คือความสำเร็จด้วยดีเนี่ยมี4ีประการนะฉันท่านี่คือความพอใจความรักใข่ความยีในสิ่งนั้น สองวิริยะก็คือความเพียนเนเป็นความเกล้ากล้าสามก็จิตตะความเอาใจใส่อย่างแรงนี่นะพิมังสาก็มันสอบสวนที่นี้ในสีประการเนี่ยในพระสูตรสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายเมื่อก่อนจะตัดสรู่นี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว ยังไม่ได้ตัดสรุ้ท่านก็มีความคิดว่าอะไรหนอเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเจริญอิทธิบาทอะไรจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สมาธิตั้งมันได้ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพิกษุในวิพัฒนวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบไปด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารว่าฉันทของเราจากไม่ย่อหย่อนเกินไปจัก ไม่ประคองเกินไปไม่โหดหู่ในภายในไม่พุ้งสร้างไปในภายนอกและเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหน้าว่าเบื้องหน้าชั้นใดเบื้องหลังก็ชั้นนั้นเบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าก็ชั้นนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนก็ชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ชั้นนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนก็ชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันก็ชั้นนั้นเธอมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มอบรมจิตให้สว่างอยู่ แล้วก็ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบไปได้วยวิริยะและสมาธิและประธานสังขา ร, ราขาจิตตสมาธิและประธานสังขารเป็นต้นเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงอะไรเนี่ยแสดงถึงในเรื่องของอิทธิบาทในตัวอิทธิบาทมันมีอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย หาภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิภิกษุนั้นยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรประคับประคองตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นใน ى, กุศลธรรมมันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดเพื่อล่ากุศลธรรมเพื่อล่ากุศลธรรมที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นใงกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลือนหายเพื่อพินโยภาพเพื่อความพบูบุญเพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเรานี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธิด้วยประธานสังขานี้ด้วยเรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะก็คือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและประธานสังขารแปลความเพียรที่สร้างสรรค์เอาละแต่นี้ทําความเข้าใจหน่อยนี่ตามสูตร ถามว่าฉันท้าเขาแปลว่าอะไรฉันท้าแปลว่าอะไรนะแปลว่าความพอใจได้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่ทำยอมรักในการเวลาทำอาหารยอมรักไหมรักไหมกวาดบ้านรักไหมรักไม่รักงานอะไรที่ยอมรักมากที่สุด สังเกตตัวน้นงานที่เรารักมากงานไหนที่เรารักงานนั้นเราจะมีสมาธิในเรื่องนั้นได้ดีใช่ไหมย้อนกลับม า, าในการฝึกสมาธิเราลักไหมรักไม่ลักรักมากไหมเห็นไหมฉันท่านี่สําคัญไม่สําคัญฉะนั้นคําว่าฉันท่าก็แปลความพอใจ ความมีใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้นมันไม่ใช่รักเหมือนคนรักเรียนเนี่ยโอ้โหเขาจะขยันดูหนังสือมากหรือหนังสือบางเรื่องที่เราชอบใช่ไหมเรารักเนี่ยเราพอใจเนี่ยเราจะเอาหนังสือเรื่องนั้นมานั่งอ่านและในขณะที่อ่านจิตเราเวียนสมาธิไหมจิตก็จะเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับเรื่องนั้นแหละอันนี้แปลว่าอะไร แปลว่ารักฉะนั้นคนที่รักในการฝึกสมาธิเนี่ยจิตเขาก็จะเป็นสมาธิด้วเร็วสำคัญพวกเรารักกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยรักไหมรักไม่รักบางคนชอบบางคนลักมากในการที่จะถูบ้านเขาจะถูด้วยความสุขเลยเนะในขณะที่เขาถูบ้านก็มีความสุขบางคนก็ชอบซักผ้า เออเราก็ถ้าบางคนมองอหมืนอนรักได้ยังไงวันหนึ่งก็ถือกระแป้งมาก็ซากนั่งซักผ้าอยู่นั่นแหละซักซั ก, ก, กแล้วก็ไปตากไว้ตากดูหน้าตาเขายิ้มแย้มผ่องใสเลยนะเพราะอะไรอา้าวเพราะเขารักเขาชอบแล้วก็ชอบรักถึงจุดหมายก็คือความสําเร็จของงานนั้นด้วยเอามาถามเราหน่อยว่าเรารักการที่จเจ้าอยากจะได้ ขณิกาสมาธิไหมสมาธิชั่วขณะถามถ้าเรามีสมาธิชั่วขณะได้เนี่ยมันจะมีความสุขมากเราจะขจัดบาปอากศุศลธรรมในใจเราเนี่ยออกได้บางคนบอกอุย้ยแค่ขณิกาสมาธิไม่พอเรารักยิ่งไปกว่า น, นั้นอีกเรารักอุปจารสมาธินั้นถ้าใครทําอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดในการที่จะตั้งมั่นเนี่ยเฉียดชันเนี่ย คนคนนั้นก็จะสามารถทําลายกา ร, รมฉันท่คือความติดใจไปกระสันไดน้รู้จักกา ร, รมาฉันท่าไหมอา้าวใครมีกามาฉันท่าไหมมีไม่มีอะไรคือกา ร, รมาฉันท่ากามฉันท่าก็ความอยากได้อยากเอาเพืแปลตามสับความพอใจในกามการมฉันท่ก็คือความพอใจในกาม หรืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้หมายถึงอะไรอยากได้กามาคุณห้าอยากได้รูปที่สวยๆเสียงที่เพราะเพระกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นกิเลสเฉพาะราคะหรือโลภะจิตที่ถูกล่อด้วยอารมณ์ต่างๆคิดอยากได้โน่นได้นี่เนี่ยติดใจนูน่นติดใจเนี่ยคอยเผลอออกไปจากอารมณ์อื่นคุนข้องไม่ตั้งมัน่นไม่เดินเรียบไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ ฉะนั้นถ้าใครมีกิเลสประเภทนี้ก้มรวมอยู่ในใจจิตจะเป็นสมาธิไหมเห็นไหมงั้นคนที่รักในการที่จะฝึกสมาธิเนี่ยรักในการที่จะทำสมาธิมีความรักอย่างแรงกล้าในการที่ฝึกสมาธมามาาิเพราะเห็นโทษอะไรเห็นโทษของกา ร, รมาฉันทะเอาใครมีกา ร, รมาฉันทะรุนแรงยกมือขึ้นากา ร, รมาฉันทะเรานิกว่าแต่ไปชอบเพศตรงท่ามใช่ไหเรานึกแค่นั้นใช่ ส, สีสวยเสียงเพราะๆกินนมหอมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเพศอย่างเดียวนะใช่ไหมใครพยาบาทใครมีความพยาบาทงดหิดง่ายยกมือทีความพยาบาทก็แปลว่าความขัดเคืองแค้นใจความขัดใจแค้นเคืองเกลียดชังผูกใจเจ็บมีไหมผูกใจเจ็บเข้าใจคาว่าผูกใจเจ็บไหมโยคืออะไรอผูกใจเจ็บ มองคนในแง่ร้ายคิดร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูงุนหงิดด้วยไหมวันนี้นั่งงุดหงิดไหม ง, งุดหงิดไหมัดียเวลาความง่วงมาเนี่ยมันมากับงุดหงิดไหม ง, งุดหงิดไหมเวลาง่วงใครเคยง่วงด้วยงุนหงิดด้วยไหมมีไห ม, มเฮ้ยมีเช่นมัน จะหลับแต่ละทีก็มีอะไรมากวนเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะงุญหญ่หงิดไหมชุนเฉียวรู้สึกขัดใจไม่พอใจจิตที่ถูกกระทบกระทั่งด้วยด้วยโทสะมันสะดุดนั่นสะดุดนี่เดินไม่เรียบไม่ไหลไม่อาจจะเป็นสมาธิได้อ่ะต่อไปข้อที่สคือถีนมิทะอยากรู้ไหมหน้าตาของถีนมิทะเป็นยังไงความหดหู่เสื่องซึมเป็นไม่เป็น เซ็งเซ็งเป็นไหมเซ็งอ่ะซึมเซ็งกับซึมเนี่ยนะแยกออกเป็นถีนะคือความหดหู่หดหูในที่นั้นก็คือห่อเหี่ยวถดถอยละย่อท้อแท้ซบเซาเหงาหงอยละเหียนี่เป็นอาการของจิตนะส่วนมิดท่าเนี่ยเสื่องซึมเชยชาง่วงเหงาหานอนโงกง่วงตอนนี้อืดไหมอืดอาบไหม ตอนนี้คล่องตัวหรืออืดอาดอืดอาดหรือคล่องตัวถ้าอืดอาดนะเป็นอาการของมิทธะมันอืดอาดมันไม่ค่อยอยากขยับเนื้อขยับตัวมั น, ม, นมันหนักไปหมดเนี่ยนะตื้อตันด้วยมึนมัวด้วยอาการซึมๆเฉาเฉที่เป็นไปทางกายและจิตเนี่ยลักษณะอย่างนี้ย่อมไม่แข็งแรงไม่คล่องตัวจิตที่ ไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้เอานั่งตอนเช้านี่เป็นเยอะไหมเอาใครเป็นยกมือขึ้นเนี่ยาการที่ทีนั้มิท่านเนี่ยอยาจะบอกวิธีเอาลององอลิ้นดันเพดานทีงอลิ้นเข้าไปแล้วดันดันแรงๆกดแรงๆเนี่ยให้เต็มที่เลยเอาลิ้นปลายลิ้นดันที่เพดานมาแล้วก็ กดให้แรงเลยหายไหมดันไม่แรงมั้งดันให้เต็มที่เลยเอาให้ร้องโอยออกมาดิได้ไหมหายไหม <c ười> หายไม่หายถ้าไม่หายจะมีวิธีหายหรื อ, อยังอาการง่วงๆซึมๆหายยัง ใครยังยกมือทีโอยางเลยโห oh, ขนาดนั้นเลยนะะ อ, อ้าวิธีการก็คือกันลมหายใจ <c oughs> นับหนึ่งถึงร้อยได้ไหม ก, ก็มันจะได้หายง่วงไงหายไม่แบบนี้โอ้โหน่าเหตุใจจริงทั้งสายเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับเอาใครฟุ้งซ่านลำคาญใจยกมือขึ้นบ่อยมาก อันนี้เป็นอาการของอุทธักรกุกุจักก็แปลฟงสั้นลาคาญใจเดือดร้อนใจแยกเป็นอุทธจักรนะฟงสั้นใจไม่สงบสายก็พลาผ่านไปกับอุกุกุจักในําคานใจเดือดร้อนใจยุ่งใจด้วยกลุ่มใจกังวลใจเนี่ยจิตที่ถูกทั้งอุทธักรกุกุจักก้มรุมเนี่ยมันจะย่อมพุกพ่านอยู่ตลอดเวลาไม่อาจสงบได้ไม่เป็นสมาธิประการที่5คือวิจิกิจฉา ความลังเลสงสยัยความเคลือบแคลงไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไม่แน่ใจในกรรมฐานที่ทำสงสัยอยู่นั่นแหละนะอันนี้มีปัญหาทางด้านของวิจิกิจฉาจิตที่เป็นวิจิกิจฉาก็ไม่ไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได้สรุปแล้วก็ศัตรูของสมาธิมีกี่อย่างหนึ่ง การมชฉันทะความติดใจไปกระสันสองพยาบาทความเครียดความกลุ่มความกโกรธ 3. ทีนมิทธาหดหูเสื่องซึม 4. อุทธจักกุกุจาพุ่งซาลำคาญใจ 5. วิจิกิจฉาลังเลสงสยัยในห้ตัวนี้ใช่สมาธิไหมใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นตัวอะไรเป็นตัวทำลายสมาธิเอ้า ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเป็นยังไงหนึ่งก็คือลักษณะของอธิจิตแต่สิกขาเนี่ยคือการปึกปลือเพิ่มเสริมที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิจะมีคุณภาพคือหนึ่งแข็งแรงมีพลังมากเป็นจิตที่มีพลังมากท่านเปรียบเหมือนกระแสของน้ำที่ถูกควบคุมให้ไหลไปดังทิศ ท, ทางเดียวเนี่ยย่อมมีกาลังแรงกว่าน้าที่ถูกปล่อยให้พลาดไปใช่ไหม คือเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของพรหมวิหารอันนั้นเป็นคุณภาพคุณภาพของจิตแต่จิตที่แข็งแรงนี่เป็นสมถภาพของจิตเช่นจิตที่แข็งแรงจิตที่มีความกล้าหาญจิตที่มีความตั้งมั่นจิตที่มีความอดทนจิตที่มีสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและมีกำลังของสติคือการละลึกได้อย่างมั่นคงลักษณะ น, าานี้คือสมถภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถ จิตที่มีปลาโมดปีติปัสสธิสุขเนี่ยคุณภาพที่มีความสุขได้อย่างตลอดเวลานี้เขาเรียกจิตที่พึงประสงค์เราได้หรือยัง3มลักษณะลักษณะจิตที่มีทั้งคุณภาพทั้งสมรรถภา พ, ท, ภาพทั้งความสามารถได้อย่างได้ไม่ได้ได้เลยเพราะเมตตาก็เกิดง่ายมากใช่ไหม โทสะเกิดยากมากใครทำให้โกรธก็ไม่โกรธเป็นไหมเดี๋ยวเกิดมีคนทดลองขึ้นมายุง่งกล้าเอ า, เอาปลายติดแขนคอไวไ้เชิญท่านมาด่า <c oughs> กล้าไหมเดินไปที่ไหนก็ได้เดินเดิน พอออกจากโยพุทธก็มีป้ายติดแขวนคอเดินเดินกลับไปบ้างเชิญท่านทั้งหลายทดลองด่าได้เขาเจ้าไม่โกรธได้ไหมประการที่สองก็คือราบเรียบสงบซึ่งก็คือเหมือนสระน้ำบึงใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีอะไรมันรบกวนนิ่งอย่างนั้นแหะจิตน่ อย่างพวกเรานะ่นิ่งได้ไหมตอนนี้นิ่งแล้วจะหลับทัานเกตัดูนะโดยส่วนใหญ่นิ่งแล้วจะหลับประการที่สก็คือใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดน้ำที่ไม่มีริ้วขึ้นฝุ่นฝุ่นละอองหรือตะกอนทั้งหลายมันนอนแล้วนะมันจะใสมากมองเห็นอะไรได้ชัด ประการสุดท้ายก็คือนุ่มนวลควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียดไม่กระด้างไม่วุ่นวายไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่เล่าร้อนสรุปแล้วอ่ะจิตที่เป็นสุดยอดที่เราปรารถนาก็คือหนึ่งตั้งมัน่น 2. บริสุทธิ์ 3. ผ่องใส 4. ี่โปร่งโรงเรี่ยงเกลา 5. ปราศจากสิ่งมัวหมอง 6. ก็นุ่มนวลก็ควรต่อการงาน8ก็อยู่ตัวไม่วอกแวกไม่หวั่นไหว ตรงนี้แหละไอ้ตัวฉันทะสมาที่ที่จะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเห็นประโยชน์ตอนนี้จิตเราเนี่ยมีคุณภาพค่อนข้างต่ำแล้วน่ฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องมีอะไรกำลังของฉันทะฉันทะก็คือความพอใจความมีใจรักในสิ่งที่ทาแล้วก็พอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้นอยากจะทําสิ่งนั้นให้สำเร็จ อยากจะให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายพูดง่ายๆก็คือรักงานรักจุดหมายของงานเนี่ยถ้าลึกลงไปในทางธรรมเขาหมายถึงอะไรความรความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะที่ดีงามความเต็มเปีย่ยมฉะนั้นตัวฉันท่เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความรักเขาเรียกรักงานเนี่ยนะรักถึงรักในจุดหมายด้วยถ้ามีความรักแล้วเนี่ยมันจะทุ่มเทนะมนุษย์เราเนี่ยใช่ไห ยอมสมัยก่อนแต่งงานยอมเจอหน้าโยมผู้ชายครั้งแรกยมรักไหมรักไหมรักมากไหมตอนที่เข้ามาโอ้รวมปฏิล้มใหม่ๆพูดเถอะเขาเป็นคนดีสารพัดดีเนี่ยตอนนั้นน่ยตอนนั้นรักเขาไหมรักไหมลักพอรักเสร็จนในทุ่มเทไหมรักไหมรักอยู่ไหม แล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมอดแล้วมีมีคนเขาเคยนิมนต์มาไปบรรยายงานแต่งเนี่ยามางานแต่งงานเนี้ยนะเขาเคยนิมนต์แต่ไม่ใช่พูดงี้เพื่อให้เราจะแต่งงานแล้วมันนิมนต์อาตมาเนี่ยไม่ใช่งง้นามาเล่าให้ฟังามาไปในงานแต่งเนี่ย มาไปบรรยายงานแต่งเนี่ยในใจเขามาคิดยังไง ร, รู้มหมยอมอยากรู้ไหมมานึกในใจโอ้ผู้ชายนี่เอามานึกยี้เนี่ยนึกสงสารเขานึกสงสารเขาทําไมต้งสงสารเนาะทําไมถึงสงสาระส ร, สา ร, ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายควสรสงสารใครใครว่าสงสารผู้หญิง แค่ว่าสงสารผู้ชายทำไมเราคิดไมว่าเลาจะไปแต่งงานแล้วเราคิดอยากจะครอบงำเขามีเคลียรความคิดอย่างนั้นไหมเขาจะต้องอยู่ใต้อนาตของเราอางนี้ว่ะเคยคิดอย่างนี้ไหมแล้วคิดยังไงคิดว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับเราใช่ไหมจำได้ไหมเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเ<ม>วลาไปที่ไปบรรยายไปมาก็บรรยายตามคําสอน กมาก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรู้จักผู้หญิงเนี่ยอย่างพระรัจ้าบอกว่าผู้ชายต้องรู้จักผู้หญิงหนึ่งต้องรู้จักผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจากบ้านจากพ่อจากแม่มาอยู่ผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเขาจะงดหงิดง่ายฉะนั้นผู้ชายที่จะแต่งงานจะต้องรู้จักข้อนี้ด้วยก็บอกต้องรู้จักใช่ไหม ฉะนั้นเธอจะหงุดหงิดง่ายเพราะการที่เธอต้องว้าเวจากพ่อจากแม่จากญาติพี่น้องมาอยู่กับผายชายฉะนั้นผู้ชายต้องรู้จักในข้อแรกข้อที่สองผู้หญิงเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนละครั้งมันเกิดจากกรรมนะที่จะมีภาวะของเสียออกมาจา ก, การ่างกายนั้นผู้ชายผู้หญิงจะเกิดความว้าเวและหงุดหงิดง่ายผู้ชายที่จะไปอยู่กับผู้หญิงก็จะต้องรู้จักเธอในข้อนี้ด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช่หชงุนหงิดง่ายไหมยอมอ่ะ เป็นหรือว่ากดหงิดง่ายเพราะภาวะาเปลี่ยนแปลงในร่างกายข้อที่สก็คือทุกจากการมีบุตรทุกจากการตั้งครรภ์แล้วก็ทุกจากการข้อที่สี่ก็คือทุกจากการที่ต้องคอยบ่มเบลอความสุขให้กระชากอามาก็บรรยายเรื่องนี้ว่าผู้ชายต้องรู้จักผู้หญิงสี่อย่างนี้ก่อนหนึ่งสองสาสี่ พอบรรยายไปงี้ฝ่ายเจ้าสาวก็มองมองหนะ้าผู้ชายแล้วก็สะกิดบอกว่าจําไว้นะจําไวนะ้นี่านี่ยใหญ่ๆแล้วนี่มาเล่ายออตอนจะกลับเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ตามมาส่งพอตามมาเสร็จก็ก็อบอกกันมาบอกว่าท่านอาจารย์ เดี๋ยวถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วจะพาไปเยี่ยมว่าหน่าเกลียดมากเลยงานนีนี่พอพูดอย่างนี้ผู้ชายเขาก็หน้าเศร้าสิใช่ไหมแปลว่าเขาผิดพลาดซะแล้วงานนี้ทจริงวันนั้นแล้วมันจำกัดไงมันจากัดเวลาเทศอมาก็เลยเทศได้แค่นี้ เลยไม่ได้นั่งเทศว่าผู้หญิงคงนจะปฏิบัติยังไงเอาเอามาเลยนึกเทศไม่จบจนทุกวันเนี่ยเลยเลยไม่ได้ไปเทศต่ออั น, นี้เสียเลยตรงนี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ผู้ชายคนเนี้ยังไม่ได้ตามข่าวเลยเลยไม่ได้ตามข่าวเลยตอนนี้คงดนจัดการแล้วจัดการอีกอยู่นั่นเพ้่งท่านนี่คือพุทธเจ้าบอกไว้ แต่คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีตัวกําลังของฉันท้าแล้วเนี่ยมันจะใยคือเกิดความรักแล้วเนี่ยมันจะมีการใยใจอย่างแรงกล้าในอันที่จะทํานั้นและโดยเฉพาะเป็นเห็นจุดหมายนะทุกอย่างเลยเนะฉันท้าเนี่ยใช้ในงานที่เราทําทั้งหมดได้หมดไหมถามว่าการรักษาศีลต้องใช้ฉันท้าไหมต้องมีความรักไหมคนที่จะเขาจะสามารถปฏิบัติในศีลได้ดีนั้นเขาต้องรักอะไรก่อน เขารักอะไรหนึ่งรักตนเองไหมปรารถนาให้ตนเองมีอายุยืนหรืออายุสั้นใช่ไหมปรารถนาให้ตนเองมีทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยปรารถนาให้ตนเองคร อ, อบครัวงตนเองเนี่ยสมัครสมานสามัคคีหรือแตกแย ก, กปรารถนาให้คนเชื่อฟังตนเองหรือมีแต่คนกระด้างกระเดืองกับตัวเอง ปรารถนาให้ตนเองมีสติสมัมปชัญญะที่ดีหรือขาดสติสมัมปชัญญะเห็นไหมฉะนั้นคนที่มีความรักในตนเองสูงก็จะสามารถฝึกตนเองเนี่ยนะในระดับศีลได้ดีด้วยเพราะมีความรักแล้วก็รักต่อจุดหมายของของงานนั้นในการที่จะฝึกศีลให้เกิดขึ้นยอมเจริญศีลได้ดีกันหรื อ, อยังเมื่อเช้าเนี่ย้เมื่อเช้ามีใครไปใส่บาตร อมาก็บอกอมาก็บอกว่าเวลาเรามีของที่จะให้เนี่ยอันนี้เป็นวัตถุใช่ไหมเขาเรียกว่าวัตถานแต่เวลาจะให้มันต้องมีอะไรด้วยมีอะไรมีเจตนาคือจิตที่คิดจะให้รไหว่างสองอย่างเนี่ยวัตถุทานกับเจตนาทานเนี่ยอันไหนอันไหนมีความสําคัญมากกว่ากัน ถ้าไม่มีวัตถุมีเจตนาอย่างเดียวได้ไหมเวลาจะให้ต้องมีเจตนาใช่ไหมเจตนาแปลว่าอะไรความจงใจความตั้งใจความคิดที่จะสละความคิดที่จะให้ไอความคิดที่จะให้เนี่ยก็แบ่งเป็นสามการนะก่อนให้ได้ไหมขณะให้แล้วก็หลังให้ในจิตที่คิดจะให้เกียรติจำนงที่คิดจะให้เนี่ย เห็นไหมว่ากรณีแห่งการแม้แต่จะให้ทานต้องมีฉันท่าไหมก็ต้องมีฉันท่ามีความรักมีความใยใจเนี่ยใยรู้คือเห็นไหมทุกเขาเกิดความรักขึ้นมามันจะมีความใ่รู้ใ่ศึกษาใยสร้างสรรค์ใยที่จะทําสิ่งนั้นให้ดีไอตัวฉันท่าเนี่ยเขาเรียกกัตโตกมยตาฉันท่าเนี่ยกัตโตกัมมยตาฉันทามันเป็นความรักในการที่จะทําเหตุความรักในการที่จะสร้างเหตุ แต่ไม่ใช่ความรักในการที่ต้องการหวังผลหวังหวังได้รับการตอบแทนอย่างเรามานั่งฟังเนี่ยเรามีฉันทามั้ยเหตุผลที่เรามีฉันทามีความรักในการที่จะฟังมีความพอใจที่จะฟังเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะถ้าเร า, เราเกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนแล้วเนี่ยจนสามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ เป็นไปตามลำดับได้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดแล้วเนี่ยถามว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมามันเลยตั้งใจเลยฉะั้นใครจะหลับหลับตื่นตื่นใครจะง่วงใครจะทำจิตใจฟุ้งซ่านไม่สนเพราะฉันรักในฉันรักในในเรื่องที่จะฟัง ไม่ใช่รักในเรื่องที่จะฟังอย่างเดียวรักเมื่อฉันฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือทําให้กระบวนการการความรู้ความเข้าใจเนี่ยสามารถรู้ได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเมื่อเกิดความรักอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันฝ่ใจในการที่จะฟังอย่างแรงกล้าสมาธิเกิดหรือไม่เกิดเกิดไหมสมาธิก็จะเกิดความตั้งมั่นก็จะเกิดจิตก็จะ เพอเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นอย่างนี้ไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าฉันทะที่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิหรือสมาธิที่เกิดจากฉันทะตอนนี้เกิดไหมใครเกิดสมาธิบ้างเนี่ยระหว่างสมาธิที่เกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยให้สังเกตนะปริมาณของสมาธิของคนไม่เท่ากันเพราะฉันทะไม่เท่ากันความพอใจในการที่จะฟังไม่เท่ากัน พระ อ, อนนท์เนี่ยท่านมีกำลังของฉันทะแรงมากเวลาท่านฟังนะเวลาท่านฟังปุ๊บเนี่ยท่านจะปิดเสียงรอบข้างได้หมดแม้ยุงกัดแมลงวันตายตามตัวท่านท่านจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยใครทำได้ขนาดนั้นไหมโดยเฉพาะคนที่มีความรักหรือใ่ใจรักในธรรมอย่างแรงกล้าเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นพระเจ้ามหากรินาเนี่ย มีความรักอย่างแรงกล้าละขนาดไหนรู้ไหมตอนนั้นชาวเมืองสาวัตถีไปทำการค้าขายที่เมืองของท่านพระเจ้ามาหากรรณาธท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินนะเป็นพระเจ้าเป็นดินเลยพอประชาชนไปในเมืองนี้ปุ๊บท่านก็ถามตอนนั้นท่านมาพร้อมด้วยอมตะห้าร้อยท่านก็เห็นประชาชนนัานก็ถามบอกว่านี่พวกท่านมาจากไหนบอกประชาชนก็บรนมือบอกว่าข้าพระเจ้ามาจากสาวัตถีพระเจ้าข้า มาทำอะไรมาค้าขายท่านพอสพอสนทนานาโดยสักพักนพระเจ้าเวดินก็ถามบอกว่าในเมืองของท่านมีสิ่งใดที่มีค่าที่สุดถามเลยนี่คนคนที่ายรู้อ่ะคนที่มีกําลังฉันท้าอยากจะรู้ว่าเออเมืองของเราเนี่ยมีอะไรดีที่สุดก็ถามว่าเมืองของท่านมีอะไรดีที่สุดประชาชนก็บอกว่าฉันพูดไม่ได้ พระเจ้าปิณิสก็ถามว่าทําไมท่านถึงพูดไม่ได้ท่านก็บอกตอนนี้ปากของข้าพเจ้ายังไม่สะอาดเรือข้าพเจ้ายังกินอาหารมีของอยู่ในปากปากไม่สะอาดฉะนั้นต้องให้ปากของข้าพเจ้าสะอาดก่อนถึงจะสามารถคู่ควรต่อการที่จะพูดถึงถึงเรื่องเรื่องนี้โอ้พระเจ้าปินิสงก็เอาทั้งนั้นเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ใส่น้ําทองคำํำก็เรื่อน้ําเต้าเจ้าแม่น้ําเต้าทองคําที่ บอกเอามาพระราชาจับเองเลยงั้นท่านล้างปากเสียแล้วช่วยพูดสิ่งที่ดีที่สุดใ ห, ให้ให้เราฟังหน่อยประชาชนก็เอาน้ำที่พระราชาให้นยเอาไปกลั้วปากล้างปากให้สะอาดแล้วก็คายบ้วนน้าทิ้งพอบว้วนน้าทิ้งเสร็จปุ๊บหันหลังให้พระราชาคุกเข่าหันเท้ามาทั้งพระราชาด้วยเนอะ <c oughs> นี่ใครเห็นไหม แล้วหันหน้าไปทางสาวถีแล้วก็ยกมือเหมือนถวายบังคมไงเคยเห็นไหมเคยทำเป็นไห้ทํำยังไงอ่ะทำยังไงเขาทำยังไงเวลาถวายบังคมก็ทํางไงเออเขา ย, ยกเออนะ่เยเขายกมือขึ้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลก พระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ดยพระอง์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชา8จารณะสิเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถิปึกบุรุษที่สมควรปึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นทูปตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ทรงประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏฐาและเบญจชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ตวโลกทั้งหลายเมื่อได้ฟังว่าทำได้ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธมีภาคีว่าท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์จริงเป็นต้นพอพูดแค่นั้นนะพระราชาเกิดอะไรปลาโมดปีติปัสสติสุขกําลังของสมาธิเกิดเลยเห็นไหมจากฉันท่าตั้งใจฟังอย่างจิตจดจ่อกําลังของสมาธิก็โลดแล่นในกระแส ชีวิตของพระราชาพระราชาก็พระราชทานรั์เลยโอ้โหท่านพูดสิ่งที่เป็นมงคลแก่โสดแก่หูของเรามากงั้นเราขอพระราชท า, านพระราชท า, านเงินให้หนึ่งแสนก็หาป่ะนะโอ้โหประชาชนก็ได้เงินกันไปแล้วพระราชาพอใจแค่นั้นไหมถามต่อบอกว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรที่ดีกว่านั้นไหม เออมีอะไรที่ดีดีดีดีอีกไหมประชาชนเขาบอกว่าไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นที่บัตรเกิดขึ้นตอนนี้พระองค์ทรงสแสดงธรรมแล้วแล้วธรรมะที่พระบรมศาสตร์สุนทรงแสดงนั้นเป็นนิน ญ, ญานิกรทธรรมเนะเป็นธรรมที่นําออกจากวัฏทุกพระธรรมเป็นธรรมที่พระพู้มีภาค้าตรัส ด, ดีไว้ดีแล้ว เป็นสั e uh นทะิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจตัังเวทิตาโพวิญญูหินะบอกงั้นเถ้อเป็นธรรมที่ผู้รู้จะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นต้นด้วยแล้วก็เชิญชวนด้วยนะว่าควรน้อมธรรมะคือโลกุตระธรรมก้าทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาสู่กระแสชีวิตทของตนเองนะว่างั้นเด้อแล้วก็เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติเข้าถึงได้และจักปรากฏชัดได้ด้วยตนเองโอ้โหว่า พ, พูดอย่างเงี้ยพระราชาพระราชาทานต่อบไหม ก็พระราชทานทรัพพ์ให้อีกแสนกะหาบนะเชื่อใจหรือยังพระราชากำนึกในใจว่าพระเจ้าแสดงธรรมใช่ไ ห, หนึ่งพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเรายิ่งใหญ่สองพระองค์แสดงธรรมและอยากจะทราบประการที่สก็คือและมีสักขีพยานคนที่ได้แทงตลอดมีไหมก็เลยถามมีอะไรดีอีกไหมท่านก็บอกว่าสงสาวกของพระพภาคเจ้า อุบัติเกิดขึ้นแล้วจากการได้ฟังพระธรรมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมยังไงเป็ตนต้นคู่แห่งบุรุษสีคู่ตอนนี้พระโสดาบันก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วตอนนี้พระสกท า, าคามีก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วตอนนี้พระอนาคามีก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วตอนนี้พระอรหันต์ก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพอพูดอย่างนี้สะเทือนไหม โอ้โห oh, เราเป็นปุถุชนพระโสดาบันก็มีสกาทาคามก็อนาคาพระอรหันต์ก็มีเราจะต้องเป็นพระอาริยะให้ได้นี่เกิดพลังก็พระราชารระะทานทรัพย์เลยพอพระราชทานทรัพย์เบสเดชหันมาทั้งอาหมาัดบอกว่าท่านทั้งหลายว่าไง น, นนะเราจะขอสละราชบัลลังก์เรามีความรักในพระธนัตไตรอ ย, อย่างแรงกล้า เราจะไม่กลับไปครองบ้านเมืองเราจะไม่กลับไปเป็นพระราชาอีกแล้วเราต้องการจะไปเฝ้าพระรัตนตายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราฝึกเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมโดยเฉพาะเชื่อมั่นในพาริยสงฆ์และเราเชื่อมั่นศักยภาพของเราที่เป็นมนุษย์เราจะฝึกตนเองจากปุถุชนก็สู่ความเป็นอริยะให้ได้เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเรามีความมั่นใจเรามีความรักในธรรมมอย่างแรงกล้านี่ชันทะฉะนั้นก็เขียน สารสละราชบาลังบอกว่าช่วยเอาสารนี้ไปส่งให้กับพระให้กับพระมเหสีหน่อยว่าตนเองจะไม่กลับแล้วจะไม่ยอมเสียเวลาเดินกลับไปวังนะจากที่อุทยานเนี่ยจะไม่ยอมเสียเวลาเพราะความรักในธรรมะอย่างแรงกล้านี่เป็นอย่างนี้นะแล้วในสุดจริงๆก็คือก็ได้ถามว่าให้อมาตทั้ง500ให้ไปส่งสารตนเองอมาตก็บอกว่า จริงๆพระราชาบอกว่าท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วพระรยาสองก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วแล้วพวกเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรแต่ฉันสละบัลลังก์ถ้าท่านปรารถนาก็จงเอาไปฝ่ายอมหมายก็บอกว่าแม้พระราชายังไม่ปรารถนาเลย ใช่สละบุตรสละภรรยาสละบัลลังก์สละอนาประชาราชข้าพเจ้าก็จะสละภรรยาสละบุตรสละทรัพย์สมบัติตามพระราชาเหมือนกันเพราะมั่นใจในสิ่งที่พระราชารักมั่นใจในธรรมะมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันก็ไม่มีใครไปส่งสารเลยก็ไปไปมาก็เลยต้องวานใครรู้ไหมไประชาชนที่มานั่นแหละ ช่วยเอาสารนี้ไปบอกแกพระมเหสีแล้วหลังจากนั้นเบดเจก็บ่ายหน้าหันมาเนี่ยให้ตรงกับสาวถีที่แพนโกสลเนี่ยแล้วก็ควบมาไปได้วยความรวดเร็วทั้งทั้งทั้งพระราชาแล้วก็อำมาดอีก500ตามเสด็จมุ่งหน้าที่จะไปเฝ้าพระเจ้าอันนี้ใช่ฉันทามไหมแล้วมีสมาธิมุ่งมั่นไหมมีความมุ่งมั่นมีความรักอย่างแรงกล้า เอาพวกเราเราจะทำยังไงตอนนี้ตอนนี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหรือยังพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วพวกเราจะทำยังไงฉันก็จะกลับไปอยู่บ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับไปรับใช้อย่างรับใช้ใครจริงๆเราเป็นทาสใครเนี่ย ไม่ทา้าทยบางคนก็เนี่ยมันเป็นเวรกรรมของฉัน <c oughs> แล้วเจ้าพูดเหลือเกินครับมันเป็นเวรกรรมของฉันฉันก็ต้องทดใช้ไปว่างั้นลทัทธิชดใช้กรรมใช่ละทธิในใช่คำสอนของพระเจ้าไหมใช่ไหมเอ้าใครคิดว่าเกิดมาแล้วชดใช้กรรมยกมือขึ้น นี่ได้ได้ได้หนึ่งได้สองได้สาโอ้โหชดใช้กรรมกันเยอะเหลือเกินนะเมื่อชาติที่แล้วยอมไปทำกรรมอะไรไว้เอาไปทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้จึงมาชดใช้กรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันอย่าไปอย่าไปสำคัญหรืออย่าไปคิดว่าเราเกิดมาใช้กรรมการคิดอย่างนี้ มันไปตรงกับลทัทธิภายนอกเขาเรียกลทัทธิปุเพกตาเหตุว ท, ท่าลัทธิปุเพกตาเหตุวท่าเนี่ยเขามีความคิดว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากที่เราประสบในปัจจุบันเนี้ยมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้ฉะนั้นมาในชาตินี้ฉันก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปถ้าคิดอย่างนี้ยุ่งนะเนี่ย งั้นการบรรลุจะมีไม่ได้ถ้าไปคิดกรรมเก่ามันมีอิทธิพลขนาดนั้นน่ก็ไม่ทำกรรมใหม่ไม่เจริญกุศลกรรมแล้วในที่สุดจริงๆมนุษย์จะบรรลุได้อย่างไรแต่ถามว่าพระเจ้าเพนดินเนี่ยนีที่พะมหากปินเนี่ยพระเจ้ามาหากปินาพร้อมด้วยวิริวานท่านคิดยังไงท่านท่านเชื่อกรรมเก่าหรือเชื่อกรรมใหม่ ฉันเชื่อการกระทําใหม่ๆของท่านเห็นไหมท่านมั่นใจทันทีว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาและพระองค์ทรงสแสดงธรรมสก็ 3. คือผ้าอริยสง์อุบัติเกิดขึ้นท่านก็จะต้องเป็นอริยสให้ได้แล้วท่านก็ควบม้าเลยแล้วก็ชักพาเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วท่านไม่พักผ่อนด้วยนะในขณะที่ควบม้าไปเนี่ยไปเจอแม่น้ําขวางอยู่ท่านก็วนอยู่สองสามรอบแล้วท่านก็ ตั้งจิตนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็บอกท่านทั้งหลายเราเทำมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วมอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมแล้วมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์แล้วถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงข้าพเจ้ามั่นใจว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะถูกปกคุ้มครองด้วยพระราชนาตรายัยข้าพเจ้าเชื่อมั่น กระแสะชีวิตของข้าพเจ้ากับพระรัตนาตรัยเนี่ยข้าพเจ้ามั่นคงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่ไม่ลีลอกับแม่น้ําที่ขวางเห็นไหมก็กระตกม้าเลยเห็นไหมเนี่ยจากศรัทธาที่โลดแล่นในใจของพระหมากปินีนาเนี่ยก็โลดแล่นเห็นไหมไปเชื่อมต่อกับม้าด้วยเห็นไหมเห็นไหมคนเราที่มีศรัทธาอยู่ใกล้อะไรไอ้สิ่งนั้นก็จะมีความเชื่อมั่นด้วย คนที่มีกำลังฉันท้าอย่างแรงกล้ามีความรักในพระรัม ต, ตรายอย่างแรงกล้าแม้นั่งบนหลังม้าม้าก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยสามารถจะตกม้าโดดลงน้ำได้คิดด้วยถ้าอย่างเราอ่ะ ว, วิ่งไปว้าไม่ไหวแล้วมันเห็นมั่นใจมันถอดใช่ไหมเอ้วความเชื่อเนี่ยไอ้วความเชื่อมั่นตัวเนี้ยมันช่วยชีวิตได้จริงๆนะมีคนนึงนะ ก็เป็นทหารเนี่ยโยมเขาไปวิ่งสู้รบกับไอ้ไปไปสู้กับพวกพวกวกอ ก, กาไลเนี่ยในยุก่อนเนีนะมันที่มืดๆเนี่ยเขาก็ล้มตัวโตมลงไปก็ก็ยิงยิงกับฆ่าศึกศัตรูเนี่ยนะทีนี้ไอ้ไอ้ไอคนนี้ยมันมีพระพระเครื่องอะห้อยอยู่ที่คอพอล้มโตมเข้าไปเนี่ยไอย้พระเขาหลุดเลยเขาคําให้พระเขาหายใจเสียไหมเอาคนที่มีความเชื่อนี้ใจเขาเสียหรือไม่เสีย เขาก็คว้านใหญ่ควานปะปะปปหาใหญ่หาอุ้ยจับได้จริงจมันมืดเนี่ย น, นะเขาอิดเขาไม่มีหาสายสร้อยไม่เจอแล้วก็จับใส่ปากเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอพอเขาสักพักนึงอ่ะเออพระในปากเขามันดิ่นเด่นปะปะปะ ป, ป, ป, ปโอ้โหใจมันขึ้นไหมอุ้ยหลวงพ่อใ ห, ให้ให้กูโซ่นิวาห์เนี่ยไหมลุกขึ้นมาเลยเนาะลุกขึ้นมานี่ยิงโซ่กับศัตรูเขายิงไงก็ไม่เข้านะยมนะ ดูที่ใจมันสู้อ่ะใจมันเชื่อโอ้โหต่อสู้จนว่าพวกผู้ก่อการร้ายล่าถอยไปสักพักหนึ่งเขาเหนื่อยมากสักพักหนึ่งเอ๊ะพระในป่าเขาไม่ดิ้นแล้วเงียบสงบแล้วเขาก็เลยคลายออกมาดูเรียบร้อยกลายเป็นเขียดยอมเขากัดเขียดเะตายเลยอ่ะรู้จะเขียดไหมอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะใช่ความเชื่อไหม นี่ไงที่จะพูดให้ฟัง ว, ว่าพวกเราเนะี่ยเชื่อพรตนาตรายัยครั้งๆั้ที่อย่างนี้เชื่องมงายไหมเนี่ยเออเชื่อแบบไม่ได้มีปัญญาเท่าไหร่ยังช่วยได้ขนาดนั้นถ้าเราเชื่อพรตนาตรัยด้วยมีปัญญาด้วยคิดว่าจะจะสามารถรักษาชีวิตเราได้ไหมพระมหากริณญาสามารถควบมา้าเห ย, ย, ยียบน้ำไปได้มา้าเห็นไหมทั้งหมดด้วย ทั้งห้าร้อยด้วยแล้วก็ไปไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ได้บวชแล้วเป็นรูปเป็นพระอรหันต์ด้วยเนี่ยฝ่ายพระมเหศีพอรับสารจากพระราชาที่เขาฝากมาเนี่ยพระมเมหเฉศีคิดยังไงอบอกพระราชาเนี่ยเอาถ้าเรากลับไปที่บ้านสามีฟังเรื่องนี้แล้วสามีออกบวช แล้วก็เขียนจดหมายบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ยกให้เธอหมดฉันไม่ปรารถนาแล้วฉันจะออกบวชบูชา แ, แล้วกลับไปที่บ้านเราจะคิดยังไงต่อฮะเรารู้สึกว่าโอ้โหดีเหลือเกินสมบัติเป็นของฉันหมดแล้วใช่ไหมคิดอย่างนี้ไหมคิดไม่คิดโอ้สมมุตินะเขามีเงินร้อยล้าน แต่ไม่รู้มีนะมีเงินหนึ่งอยล้านทรัพย์สมบัติเพียบไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเขาเบื่อหน่ายแล้วเขาเขามั่นคงในพระธรรมนาฏิกาที่กลับไปนี่เราจะดีใจไหมโอ้โหเราโง่จริงๆเราจะคิดอย่างงั้นใช่ไหมเราจะคิดคนทิ้งทรัพย์นี่โง่แต่พระมเหเสดสีไม่ได้คิดอย่างนั้นนะท่านบอกว่าไอ้ก้อนเสเลดก้อนเขลาก้อนเสเลดที่อยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยท่านถมบ้วนทิ้งมา แล้วอย่าให้เรากือนในก้อนเรษที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับทรัพย์สมบัติท่านทิ้งเหมือนกันไหมก็ ท, ทิ้งก็ออกบววตอนนี้ท่านบนรรลุหมดแล้วนางอนโนชาเห็นไหมยน่ยคนที่มีบุญคนที่มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นทรัพย์เหล่านี้แล้วเขาเกิดความรักในธรรมขึ้นมาเมื่อความรักอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นมาเขาก็ยอมสละทุกอย่าง นียอมสละทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าตัวฉันทะนั้นฉันทะที่มีกําลังอย่างแรงกล้าอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสามารถปลุกเร้าฉันทยเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นในสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนมูลนายเศรษฐีพรามหมณุ่มสาวมากมายในสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยนะยอมสละวังสะละราชสมบัติสละโลกามิตรออกบวชกันได้ก็เพราะอะไร เพรมีฉันธาในธรรมะพราเกิดสมาธิอย่างแรงการนี่ทราบซึ่งในคําสอนของพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่ามีใจรักนี่ันทานําแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไหนสุดก็สําเร็จทีนี้พอเกิดความรักอย่างนี้แล้วจิตใจก็ไม่ผวักะวองแล้วก็มุ่งแนวมั่นคงในการดําเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ําเสมอไม่สัน้นไม่สายไอ้ชันทาสมาธิก็เกิดขึ้นได้โดยในนี้พร้อมกันนั้นประธานสังขาร ไอตัวความเพียรก็คอยสร้างสรรค์ก็เกิดควบคู่ไปด้วยก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิเป็นต้นดังเอาตอนนี้เวลาเราจะฝึกสมาธิเรารักในพระพุทธเจ้าหรือยังรักไหมให้สังเกตดูว่าเวลาเราปึกสมาธิเนี่ยเวลาเราจะฝึกเจริญอาณาปณะสติเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าการเจริญสมาธิระดับนี้เป็นร่องรอยเป็นแนวทางเป็น ทางดําเนินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามั่นใจอย่างนี้ไหมตอนนี้เราเกิดความรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราจากเดินตามเดินตามท่านถ้าคิดอย่างเนี้มันเกิดความรักนี้ก็ทุ่มเทเต็มที่เลยใช่ไหมอภิการต่อมาวิริยะแปลว่าอะไรความเปลี่ยน ที่จริงก็แปลว่าความอาถรรนวิริยะแปลได้ก็หลายกว่าหมายเนี่ยอาถารก็ได้แก้วกล้าได้ไหมแก้วกล้าบากบาั่นก้าวไปใจสู้ไม่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบากเมื่อรู้เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การันรู้ถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะบรรลุได้ยากอย่างยิ่งมีอุปสรรคมาก จะต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นหลายๆปีอ่ะก็ไม่ท้อถอยกับเห็นเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าจะต้องเอาชนะให้ได้เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาเรียกว่าวิริยะเกิดความแกล้ากล้ากันมาการมฉันท้าความติดใจไปกระสันเป็นอุปสรรคัหมพยาบาท ความโกรธความหงุดหงิดเป็นอุปสรรคไหมความหดหู่ท้อถอยเป็นอุปสรรคัหมฟุ้งซ่านลำคาญเป็นอุปสรรคัหมความลังเลสงสัยเป็นอุปสรรคไหมเห็นอุปสรรคอย่างนี้แล้วท้อหรือไม่ท้อท้อไหมไม่ท้อทำไมนั่งสบายงกหลับกึกึกอยู่ท้อไม่ท้อท้อไหมท้อต่อกามปันท่ไหม ทอ้อต่อพยาบาทไหมทอ้อต่อถีนมิท่าไหมอุท ธ, ธิจักกุกุจ่าไหมนั้นถ้าคนเห็นอย่างนี้ป๊อปตื่นเต้นเลยเอาแล้วฉันจะต้องชนะให้ได้เออฉันนั่งที่ไรฉันหลับทุกทีเลยเอาวันนี้ฉันจะต้องเล่นมันสักตั้งดูฉันจะต้องเอาชนะให้ได้คิดอย่างเงี้นะใ่ <c oughs> ระหว่างการประันท่กับพยาบาทตัวไหนแรงตัวไหนที่ชนะได้ยากตัวไหน ถีนมิทะหดหู่ท้อถอยกับพุ่งซ่านในตัวไหนยากอ่ะมันมีมีห้าตัวใช่ไหมนิวรเนี่ยการมฉันท้าแปลว่าอะไรความติดใจในการมคุณพยาบาทแปลว่าอะไรความโกรธใช่ไหมความหงุดหงิดถีนมิทะความหดหูท้อถอยอุทะยาโกกุกจาก่าพุ่งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉา ห้าตัวนี้ตัวไหนยากที่สุดใครว่าตัวแรกยากยกมือใครว่าตัวสองใครว่าตัวที่สามใครว่าตัวที่สี่ใครว่าตัวที่ห้าไอ้คนที่ไม่ยกมือแปลว่ายากทุกตัวยากทุกตัวใช่ั้ยจริงๆแล้วตัวไหนยากเนี่ย บางทีเรานึกว่าแต่จริงๆไอ้ตัวที่ยากมันกลายเป็นตัวที่ห้านะออแปลกนะไอ้ตัวที่ห้าวิจิิจฉามากับโมหะมันไม่รู้ความลังเลสงสัยเนี่ยเอาใครคิดว่าตนเองความสงสัยน้อยถึงน้อยที่สุดยกมทน้อยถึงน้อยที่สุด ใครคิดว่าความสงสัยมากถึงมากที่สุดเนี่ยอ่ะอ่ะอมมากใช่ไหใครคิดว่าความสงสัยไม่มีอิทธิพลกับเราเลยเชื่อไหมพวกเราไม่รู้พวกเราเนี่ยเป็นตัวที่มีวิจิกิจฉา ม, มากที่สุดเอาอะไรทำให้มาก ไอความรู้สึกที่ไม่กล้าทุ่มเทแล้วเข้าสู่การปฏิบัติแบบติดต่อและต่อเนื่องและตลอดชีวิตนี่คือวิจิกิจฉามันลังเลกล้าไหมล่ะทิ้งทุกอย่างเห็นไหมให้สังเกตดูพระมหากรรปิเนียท่านตัดวิจิกิจฉาเลยไหมคนที่มีความเชื่อมั่นจะตัดทันทีเลยตัดและทุ่มตัวเองออกมาเลย แล้วก็ไปถึงแล้วก็มุ่งมั่นไม่ไม่ไม่ไมยอ่อท้อนี่คือคนที่เขาไม่มีวิจิกิจฉาอย่างพวกเราเนี่ยเราจะมีเหตุจําเป็นโอ้ยฉันยังปฏิบัติไม่ได้หรอกฉันยังต้องดูแลครอบครัวไหนลูกเอ้ยไหนสามีถ้าที่บ้านไม่มีใครดูแลเออที่บ้านไม่มีฉันอยู่เขาจะอยู่กันยังไงใช่ไหมเหตุผลใช่ไหมนี่วิจิกิจฉาไหมนี่ไงวิจิกิจฉา ก่อนหน้าที่เราไม่เกิดเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันยังไงเอาก่อนหน้าที่เราไม่เกิดมาเนี่ยตระกูลนี้เขาอยู่กันยังไงตระกูลของเราอะ่ะคิดว่าเราตายแล้วเขาก็ต้องอยู่กันตามธรรมดาของเขานั่นแหละจะสุขจะทุกข์กับเรื่องของเขาใช่ไหมแต่ด้วยการที่เรามีโมหะมีวิจิกิจฉามีความลังเลสงสยัยมันจึงไม่กล้าตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวเขาจยังไม่กล้า หรือพวกเรายังเถียงเอาไหมล่ะเดี๋ยวจะไปหาที่ปฏิบัติให้ให้เราไปปฏิบัติต่อคณิอีกคนละสิบเดือนใครจะยกมือเอาสิบเดือนเลยสิบเดือนตัดโรคภายนอกทั้งหมดไม่มาเกี่ยวข้องใครเลยไปปฏิบัติอย่างเดียวเอาไหมสิบเดือนแค่สิเดือนจะทีทํนั่ ง, งกุมกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิจิกาิฉามันลังเลไม่มั่นใจ บางทีก็ลังเลไหมกระทั้งบอกอาณาปานสติเป็นกรรมฐานที่พทธเจ้าเนี่ยบรรลุยังลังเลเอา้าวพระเจ้าบรรลุก็ไม่ใช่ชัดบรรลุอ่ะ เ, อเกี่ยวอะไรกันในเรื่อมันคิดเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงสรรเสริญมากที่สุดอา้าวพอพระเจ้าสรรเสริญก็สรรเสริญไปสินี่ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันเลยดิเออเป็นพรห ม, มวิหารทำเครื่องอยู่ของพรหมไอ้ฉันเป็นคนไม่ใช่พรหมนี่ว่ามันคิดอย่างนี้นะพรหมเนี่ยก็แปลผู้อะไร จริยาพรหมจริยะผู้ประพฤติอันประเสริฐบุคคลที่ประพฤติข้อปฏิบัติที่ประเสริฐเนี่ยเป็นธรรมเครื่องอยู่ของเขาไม่ใช่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมสีหน้าพรหมสีหน้าก็อยู่โน่นไงมันตึกไทยคู่ฟ้า <g ül> ทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมนั่นอ่ะที่ที่นั่งของพรหมเห็นไหมละ่ะ <c oughs> เขาก็ปั้นรูปพระพรหมสีหน้าไปปั้นไอตอนนี้เรายังเชื่อว่าพรหมมีสีหน้าอยู่ไหมเ <c oughs> ชื่อไม่เชื่อเอาใครเชื่ออยู่ยกมือที ใครไม่เชื่อสรุปแล้วพร้อมมีกี่หน้ามีสี่หน้านั่นแหละนใช้ทีละกี่หน้าใช้ทีละกี่หน้าเอาระหว่างเมตตากรุณามุจจาเวขาใช้พร้อมกันปุ๊บเลยได้ไหมใช้ทีละหน้าใช่ไหมใช้ทีละกี่หน้าใช้ทีละหน้าอย่างพวกเราเนี่ยโดยมากเราใช้หน้าไหนมากที่สุด เมตตากรุณามุทิตาวเบคาใช้หน้าไหนมากที่สุดไม่ได้ใช้สักหน้าเลยนั่งตื่นมาตอนเช้าหน้าไหนไอ้หน้ายุ่งยุ่งอะหน้ายุ่งยุ่งมหน้าไหนใช้เมตตาไหมเอาเวลาลืมพอรู้สึกตัวปั๊บก็รู้สึกจิตปลอดโปร่งโลมีความลกปรารถนาดีเอื้อทอนคอยทุกคนจงตื่นขึ้นมาทำความดีกันทั้งหมดนะนึกอย่างงี้ไม หรือตื่นมาหน้ายุ่งยุงตื่นอีกแล้วเสียงอะไรมีใครมากดติ้งดิงติงติงเนียลุกแหวมาหัวทิ่มหัวทิ่มอยู่เลยเนี่ยตีสี่ก็กดอีกแล้วตีสีก็กดอีกแล้วเครียดไหมเครียดไม่เครียดรู้สึกพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเลยไหม ตื่นเต้นวลาฉันจะมาเพ้าพระพุทธเจ้าแล้วเกวีกาวาดเลยมันนั่งเป็นคนแรกเลยเป็นงั้นว่าเป็นอะเป็นหรือค่อยๆ ย, ยกหนอย่างหนอมาเนี่ยเข้าใจอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นไหมว่าบางครั้งเราไม่ได้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการใช้พรหมวิหารเขาให้จะตื่นขึ้นมาควรจะใช้อย่างไรเป็นต้น เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรฮะพูดเรื่องอะไรวิริยาสรุปแล้วใจสู้ไห้เวริยานี่ใจสู้ไหมสู้อ่าตัวอย่างนักบวชนักบวชนอกศาสนาเนี่ยนะในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพอได้สดับคําสอนของพระสัมมาสูตรพระเจ้าแล้วก็ท่านเกิดศรัทธาท่านจะออกบวช ท่านขอบวชคนที่เป็นเดรัจฉีไปนับถือลัฐีมาอื่นมาก่อนแล้วจะมาขอบวชในศาสนาของพระชิฐาเจ้าปุ๊บพอมาขอบวชพวกพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลที่เป็นเดรัจีเนี่ยเวลาจะเข้ามาขอบวชในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่ติทิยปริวาสสีเดือนถึงจะมีโอกาสได้บวชได้เพื่อต้องทดลองก่อ น, นเออท่านยกมือเสนอบอกว่าข้าพเจ้าขออยู่4ปีเห็นไหม ทั้งท่านพระเจ้าบอก4เดือนเนี่ยท่านจะยกมือขึ้นมาบอกข้าพเจ้าขอประพฤติปฏิวัติการอยู่ในเขตแดนอันเนี้ยสีป่ปีหรืออยู่จนกว่าพระสงฆ์เนี่ยจะชื่นใจกรณีอย่างนี้แปลว่าท่านมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีวิริยะคือความแกล้วกล้าอาสมมติถ้าเรามาขอปฏิบัติเจดวันอามาบอกว่าดูหน้าแล้วไม่รับ พอดูแล้วเราความเพียรต่ำเหลือเกินเราเสนอไหมถ้างั้นฉันขอเขา อ, อยู่กี่วันไม่ได้สิบวันเดงเสนอไงถ้างั้นฉันขอสมัครหนึ่งเดือนเงีนเน้ยนะหรืออยู่จะอยู่ปฏิบัติจนกว่าท่านอาจารย์จะเห็นว่าฉันบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายใดหมายหนึ่งถึงจะให้กลับเมื่อไหร่ถึงจะกลับถ้าในกรณีนี้เขาเรียกว่าคนมีอะไร ไม่กลัวต่อปัญหาไม่กลัวต่ออุปสรรคเราเป็นประเภทนี้ไหมเป็นไม่เป็นก็ยอมรับมาเสียว่าความเพียนยังไม่แกล้ า, ลาที่ความความเพียนความอาหารเนี่ยความแกล้ า, ลามันตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับอะไรวิริยะตรงข้ามกับอะไร อะไรอยู่ตรงข้ามกับวิริยะเกียดค้านไงความเกียดค้านความไม่สู้ความไม่อดทนความท้อถอยความหดหูความซึมเศรา้าเหงาหงอยมันตรงข้ามกับวิริยะระหว่างจิตระหว่างความเกียดค้านกับตัววิริยะเนี่ยไหนเรามากกว่ากันอันไหนมากกว่าเกียดค้านเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือไม่เจริญไม่ควรเจริญควรควละไหมควร ล, ละเมื่ อ, อไหร่ละเมื่อไรละเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้ขณะนี้เขาให้ละเดี๋ยวนี้ในความเกียจค้านทั้งหลายเนี่ยบางคนนั่งซึมๆอยู่นั่นแหละ <S <S เหมือนถ้าแปรขาดทุนน่นั่ง <S <S <S นัน่งกรรมฐาน เหมือนตะแปะขาทุนเคยเห็นตะแปะขาทุนไหมเห็นเนี่ยนั่งกรรมฐานแล้วดูโอ้โหนี่หรือสาวกของพระพุทธเจ้าที่อยากจะไปพระนิพพานเห็นแล้วไม่ยังสัท้ายเกิดขึ้นเลยนั่งหัวทิ่มบังอะไรบ้างสัเปงอกบ้างอืดอาดบ้างอะไรไหวไหม งั้นคนที่มีความเพียรเนี่ยคนที่มีความเพียรมีความแกล้วกล้าเท่ากับมีแรงหนุนแล้วเวลาทํางานหรือเวลาปฏิบัติทำไม้จิตใจก็จะแน่วแน่มั่นคงแล้วก็พุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าวิริยะสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากความเพียรพร้อมกันนั้นก็จะมีตัวประธานสังขารความเพียรที่สร้างสารรค์คอยประกอบวกควบคู่ไปด้วยในส่วนจริงก็จะประสบ ขณิกัสมาธิอุปจาระและอ ป, ปนาสมาธิได้ไม่ยาฉนั้นถ้าใครมีความเพียรต่ำก็เพิ่มความเพียรเถี่ยอภิการที่สามจิตตะแปลว่าอะไรนี่จิตตะแปลว่าอะไรจิตตะแปลว่าอะไรจิตตะเขาแปลว่ามีจิตจดจอ่อ หรือเอาใจฝักไฟเรียกอย่างหนึง่งจดจอก็ได้ผูกพันก็ได้เฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปในอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยหรือในการทํางานอย่างคนคนนั้นก็จะไม่สนใจในการที่จะไปรับรู้เรื่องอื่นๆนะใครพูดเรื่องอื่นๆก็ไม่สนใจ ถาว่าสนใจในการฟังธรรมะเนี่ยใครจะมาพูดเรื่องอื่นๆไม่สนใจจะจิตก็จะจดจ่ออยู่ในการที่จะฟังนั่นแหละใครพูดเรื่องอื่นๆไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่องนั้นแล้วก็จะสนใจเป็นพิเศษถ้าใครพูดเรื่องสมาธิสนใจเป็นพิเศษจิตจดจ่อเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะทีนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ย คนที่มีจิตตะอย่างแรงกล้าอย่างไอสไต์อะสังเกต ด, ดูทีไอเจ้าหมอเนี้ยเออมันสนใจเสื้อผ้าไหมสนใจทรงผมไหมมันไม่สนใจทรงผมไม่สนใจเสื้อผ้าเนะืมันครกกะงานอยู่นั่นแหละอยู่กับงานวิจัยงานทดลองทดสอบอยู่จิตก็จดจอเป็นวันเป็นเดือนมิ้นมันอยงมันยังไงละ่ะในจิตตะ เ, เคยพูดบ่อยเราเคยเห็นเราเคยเห็นภาพที่ทหารหรือตำรวจที่เ็เป็นนักกู้กับระเบิดน่ะเคยเห็นไหมเวลาเขาเขาไปกู้กับระเบิดถามว่าตอนนั้นเขาจะจิตจอดจอไหมจอดจอไม่จอดจอ่อทำไมต้องจอดจอเอาในขณะที่เขาไปเขาไปจะ ระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยที่เขาไปกู้กับระเบิดเนี่ยเขาจะไปทําเล่นเล่นหลับหลับตื่นตื่นได้ไหมทําได้ไหมจดจ่อมุ่งมั่นไหมตอนนั้นน่ะจิตจดจอ่อเขาจะมัวคิดเรื่องอื่นไหมคิดหรือไม่คิดพราอะไรโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเขาเลยนะเนี่ยอา้าวเวลาเราจะจดจอดดูลมหายใจเข้าออก มีอุปมาเหมือนกับนนะักกู้กับระเบิดกำลังไปกู้กับระเบิดไหมขนาดนั้นไหมเป็นขนาดนั้นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของสมาธิเราเคยคิดไหมว่าถ้าชาตินี้ถ้าเราไม่ได้อปปนาสมาธิเราพังแน่ๆชีวิตเราวิบัติแน่ๆเราจะต้องเจ็บปวดในสังสารวัฏแน่ๆคิดไงี้ไหม ถ้าเราไม่ได้อัปนาสมาธิเพราะการเจริญอาณาปณะสติในชีวิตเราวิบัติแน่ยิ่งกว่าถูกระเบิดเคยคิดอย่างงี้ไหมล่ะแสดงไม่คิดดีเนี่ยใช่ไ้ยคิดไม่คิดเข้าใจคำนี้ไหมว่าไงยีเข้าใจไหมหรือมึนๆเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจว่า อาถามว่าตอนนี้ต้องถามตัวเองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วถ้าไม่รีบฝึกให้จิตจดจ่อเป็นสมาธิเราจะตายไปอย่างคนฟุ้งซ่านเกิดมาเจอศาสนาของพระชินเจ้าเราควา้าอะไรติดไม้ติดมือไปไม่ได้เลยพระเจ้าได้คั้นนี้กาสมาธิตอนนี้เรายังไม่ได้ พระเจ้าได้อุปจารสมาธิตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อัปปนาสมาธิตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พระเจ้าได้วิปัสสนาญาณเราก็ยังไม่ได้พระเจ้าบรรลุโสดาบันสกัดทานนะคะเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยเราเข้ามาในศาสนาของพระชษนเจ้าเรายังไม่ได้อะไรเราเป็นมัวพุ้งสั้นน้นพุ้งสั้นนี้อยู่ไม่ได้เรื่องแล้วงานนี้ฉันจะต้องจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก นี่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเดินมาถ้าคิดอย่างนี้จะได้ไหมสรุปแล้วคนไปกู้กลับระเบิดถ้าเขาจิตฟุ้งซ่านเขาตายไหมและเรามัวแต่ฟุ้งซ่านไม่ยอมจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชีวิตเราเนี่ยระหว่างคนกู้กลับระเบิดกับเราเนี่ยใครจะวิบัติมากกว่ากันเนี่ยเรานะ ในสังสารวัฏนี่เราจะโดนระเบิดไม่รู้เท่าไหรน่นะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวถามว่าถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกในยิ่งกว่าโดนถูกระเบิดไหมยิ่งกว่านะเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้โหเจ็บปวดมากเลยเนี่ยจะไม่เล่าถ้าไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรากายโอ้แย่ yeah, เลยหรือไปเกิดในที่ไม่มีศาสนาเขาไม่เชื่อเจ้า แะนั้นความมีใจจดจ่อฝักฝ่ายอุทิศตัวอุทิศใจย่อมนำมาซึ่งสมาธิเขาเรียกอุทิศตัวอุทิศกายและอุทิศใจเต็มที่เลยก็จะเป็นปัจัยเกิดสมาธิเกิดความแนบสนิทในกิจที่ทำก็มีกําลังมากเรียกว่าเป็นจิตต์สมาธิพร้อมกันนั้นก็จะมีความเพียรที่สร้างสรรค์ประคัประคองที่สุดจริงก็จะประสบความสําเร็จได้เอาละสตัวแล้วหนึ่งฉันทะ เป็นปัจจัยเกิดสมาธิสองวิริยะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิสามจิตตเป็นปัจจัยเกิดสมาธิเรามีตัวไหนเด่นที่สุดเนี่ยหาเจออยังอย่าห้ามบอกว่าไม่มีสักตัวเลยห้ามนะห้ามนะมีไม่มีตัวไหนเด่นใครฉันทาดเด่นใครวิริยะเด่นใครจิตตะเด่น เออคาอดูปัญญาบ้างทีนี้ข้อที่3วิหรือข้อที่4ีวีมังสาหรือวิกมังสาเนี่ยความสอบสวนไต่ตรองการใช้ปัญญาพิจารณาไข่ครวนตรวจสอบเหตุและผลและตรวจสอบข้อยิ่งข้อย่อนข้อที่มันเกินเลยและบกพร่องหรือข้อที่มันขัดข้องไปต้นในกิจ ท, ที่ทำเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่ ม, มรู้จักทดสอบแล้วก็คิดค้นหาแนวทางปรับปรุงนะ ในการที่ใช้ปัญญาเอ๊ะมันจะลักษณะว่าเอ๊ะอันนี้ความเพียรมากหรือน้อยมันหย่อนไปหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดความรักในงานที่ทำน้อยไปมันขาดองค์ประกอบอะไรก็เพิ่มเหม็นไมมันเพิ่มได้ไหมให้มีความรักในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยทำได้ทำยังไงก็เอาทำยังไงถึงจะรักในการฝึกสมาธิเพราะอะไรอ่ะ ถามว่าเออเรารักบ้านเรารักรถรักทรัพย์รักบุตรรักภรรยารักเกีดยรติยศชื่อเสียงถามว่าเออสิ่งเหล่านี้มันตามเราไปในภพสัมปรายภพได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้แต่ถ้าเราปลึกจิตให้เป็นสมาธิ ให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นยาฝึกกระแสชีวิตของตัวเองให้มีความตั้งมั่นถามว่ากระแสชีวิตเหล่านี้มันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตของเราไปสู่ในพบหน้าได้และนําตาตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้ใช่ไหมเออทําไมเราไม่รักสิ่งที่มีค่าที่สุดเล่านี่ปัญญาไหมายอย่างตอนนี้ปัญญาก็ทดสอบตรวจสอบวิจัยแยกแยะสอบสวนตัวทําไมเราไปรักสิ่งที่มันไม่น่ารักวะทำไมเราไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันมีกิเลส ทำไมเราไปทุ่มเทกับสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้ความตายเป็นธรรมดาวะเนี่ยนึกเนี้ยนะเคยคิดไหมแบบเนี้ยเออเราทุ่มเทดูสิเนี่ยโหเราทุ่มเทงแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยจนความสาวก็หมดไปแล้วความสวยงามก็หมดไปความมีกําลังก็หมดไปความแข็งแรงทั้งหลายเหล่าเนี้โอ้โหเราใช้ทั้งความเพียรใช้ทั้งความขยันมันเพียรใช้ทั้งสติปัญญาไปทุ่มเทกับไอเรื่องนี้มา ดูสิเนี่ยแล้วมันได้อะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ทําในสิ่งที่ควรจะรักนะเริ่มคิดเป็นนิยางแต่เนี้ยเอาละเราฉันเรื่องหาทรัพย์ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่จริงจังกับมันอีกแล้วตั้งแต่ต่อนที่เห็นไหมหาทรัพย์ภายนอกอะ่ะแต่ฉันจะหาทรัพย์ภายในเนี่ยฉันจะจริงจังกับมันฉันจะรักในสิ่งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตามกระแสชีวิตของเราไปในทุกภพทุกชาติ แล้วเราจะไม่เดือดร้อนรักไหมคิดแบบนี้เริ่มรักหรือยังเห็นไหมเขาเรียกมันตรวจสอบที่ตอนนี้ความเพียรมันหย่อนหรือมันมากไม่ต้องบอกว่ามากนะ <c oughs> ความเพียรทำไมมันน้อยจังเ <c oughs> พราะอะไรอะ่ะคิดยังไงความเพียรถึงจะเกิดคิดยังไงความเพียรถึงจะไม่เกิด คิดยังไงจะให้ความเพียรเกิดคิดแบบไหนวิธีคิดคิดแบบไหนความเพียรถึงจะเกิดคิดถึงความเกิดคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้คิดถึงความโศกคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงมหมันภัยทั้งหลายคิดเยอะๆความจริงเหล่านี้คิดเยอะๆแล้วจะเกิดกล้าวกล้าขึ้นมาแล้วเราเราต้องรีบเพียรแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมตัวปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะ ทดสอบตรวจสอบวิจัยแล้วก็แยกแยะเหลือสิบกว่านาทีมีใครถามปัญหาไหมมีไหมมีไม่มีเอาอิทธิบาทมีใครถามไหมไม่ถามเลยไม่ถามเดียวให้นั่งกรรมฐ า, านกันดีกว่าดีไหมเอา่างกันทาง ห้ามนั่งหลับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อาหารในท้องหมดแล้วใช่ไหมแล้วหมดหรือยังยังอยู่เลยนะเอา้าวนั่งกรรมฐานเยอะๆเดี๋ยวจะได้ไปย่อยอาหารเดี๋ยวต่อไปจะได้ไปกินได้ เขาวางุญแจอาจารย์ด้ดสาธุสาธุเมื่อกี้มเขามาถวายยาแล้วบอกว่า ให้ด้วยเมตตาเออไม่ได้ให้ด้วยเมตตาอย่างเดียวนีย้ยอมบอกว่าเนี่ยขอให้พระอาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีจเจริญในศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานในนาคตอันใกลนี้ด้วยเธินเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเ็าเริ่มฝึกเป็นแล้วแต่ไม่ใช่อามาต้องการของนะ <c oughs> แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรรู้ไ <c oughs> คือได้ฝึกในการที่จะให้ด้วยเมตตาอย่าง เมตต า, าตอนนี้ก็ลองเจริญเมตตก่อนนะเอาเจริญเมตตาให้กับตัวเองเอาวางเอาวามา อยู่ที่ไหนจะแรงตัวไหนจะแรงตัวไหนจะเด่นตัวไหนเด่นก็คือบางทีฉันทะเกิดก่อนจากเกิดกว่าชันทะนั่นแหละความรักอย่างแรงกล้าก็เลยเพียรในการที่จะพยายามและในขณะเดียวกันก็จิตก็จดจอ่อและปัญญาก็ฟันวิจัยแยกแยะแต่อยู่ตัวไหนว่าเด่นหรือตัวไหนนํา เอาต่อไปฝึกเจริญเมตตาให้กับตัวเองนะทำความรักความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นให้สังเกตดูว่าเออจิตใจโปร่งโล่งเบานะหนึกถึงตนเองในขณะที่นั่งอยู่ที่เป็นชีวิตนี่แหละ ทั้งกายและใจของเราประมวลมาเป็นชีวิตของเรานี่เลยทำความรักความปรารถนาดีมีเมตตาน่แหละให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างแรงกล้าบอกว่าโอ้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอำนาจของกุศลนะเนี่ยเพราะศีลหเพราะกุศลกรรมบท เราจึงได้มีอัตภาพในการเป็นมนุษย์นั้นมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจีบจับใจนะให้พลังของเมตตามันออกมาที่ชีวิตของตนเองจริงๆเลยเหมือนให้พรตัวเองนะให้พรตัวเองว่ากุศลที่เราทำมาทั้งหมดจงเป็นแรงเกื้อนหนุน ให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญให้ข้าพเจ้าเจริญในศีลในสมาธิในปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาความรักความปรารถนาดีเยอะๆมีกรุณามีมุทิตามีเวขามีคุณธรรม ขอให้ข้าพเจ้าจงมีศรัทธาในพระรัมนตยมากๆปฏิบัติในศีลได้โดยสะดวกปลอดภัยมีข้อมูลของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องสละข้าศึกคือกิเลสออกจากใจได้โดยสะดวกมีปัญญารู้เห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ประมาทมัวเมาในชีวิตอย่าประมาทมัวเมาในวัยประมาทมัวเมาในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวประมาทมัวเมาในทรัพย์เป็นต้นให้มีสติมีปัญญารู้เข้าใจในคำสอนของพุทธเจ้าโดยสะดวกโดยเร็วปฏิบัติอย่าได้หลงทางอย่าได้ผิดทาง ให้เดินตามอริยมรรคมีองค์แปดที่พระองค์ทรงสแสดงไว้จนสามารถปฏิบัติขัดเกลาจนพ้นทุกข์ได้โดยสะดวกโดยเร็วนะเนี่ยให้สิ่งดีๆกับตัวเองแบบนี้รู้สึกรักตัวเองอย่างแรงกล้าว่าที่ผ่านมาเดินผิดมาเยอะในสังสารวัฏมันถึงไม่พ้นทุกข์เนี่ย เนีย่ยเกิดความรักความปรารถนาดีกับตัวเองขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอย่าให้ง่วงเข้ามาแทรกนะถ้าง่วงลืมตาเลยนะลืมตาก่อนเลยฉันจะไม่ให้มีความรู้สึกรักปรารถนาดีเอื้อทอนกับตนเอง เมื่อแผ่เมตตาให้กับตนเองจนช้ำชื่นใจแล้วต่อไปเอาแผ่เมตตาให้กับพระอแผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์น้อมใจที่เป็นไปกับเมตตาอย่างแรงกล้าให้เมตตามันออกมาจริงๆรนะิให้เมตตาออกมาจริงๆให้เบิกบานป่องใสจริงจริงนะแผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์ขอให้ประสงค์จงเป็นผู้มีความสุข จเจริญในพระธรรมวินัยของพระชินเจ้าให้ท่านเดินตามรอยบาตภาษาสดาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทำตนเองให้พ้นจากภัยพ้นจากทุกข์โดยสะดวกโดยเร็วเทอพิจน า, าว่าเออขอให้ท่านอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้ท่านอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลย ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะแผ่เมตตาเลยเนะีให้เกิดขึ้นจริงๆเอาละเดี๋ยวพระจะหยุดเสียงแต่ให้เราได้ฝึกเจริญกันให้เต็มที่เลยนะเวลาน้อยมากโอกาสที่แต่ละบุคคลที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยน้อยจริงๆเลยนะเนี่ยนิดหน่อยันะ้นเราจะปล่อยให้บาปเกิดขึ้นไม่ได้ เวลาแค่1นนาทีมีค่ามากสำหรับที่เราจะทำกุศลให้เกิดขึ้นให้มาก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 เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีัตว์เรา่ออื่นซึ่งเป็นกลางๆางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสอยู่ในกำเนิดทั้งสี่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 ที่ยังไม่รู้ส่วนเห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเ <Okay. S 1> พราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญ <Okay. S 1> ที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกราวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธิดสาธุสาธุ